กับนวมสการกับรุครูุะนวมสการการนวสการสปนศิคมาททุกรูปนะครับเจริญธรรมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังทางเอ t v ทวนะครับที่ขณะนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการเรียนอิสระตามสำนึกเช่นเคยในวันจันนี้วันจันทร์ที่15นะครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2556ตรงกับ วันขึ้นขึ้นแล้วนะครับแปดค่ําเดือนแปดปีมะเสงครับแปดแปดนะครับปีมะเสงแล้วก็เก้าค่ำอีกเดือนแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกชุกหนาอีกแล้วครับพ่อครูครับนะครับวันนี้ครับเป็นแปดตน้ำฝนวันนี้เรามาอยู่ที่ปฐมโศะกันนะครับวันนี้ก็เรามาเรียนธรรมะอิสระตามสํานึกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีประเด็นนะครับคง อาจจะเป็นประเด็นเดิมๆที่อยากจะต้องช่วยกันขยายให้พระครูขยายกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องนามรูปนะครับคำดูเหมือนง่ายๆรูปนามกายทั้งหลายนี่แหละครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราเข้าใจในสัตวว่าด้าววิญญาณถีติทั้งหลายนะครับก็จะพูดคําว่ากายกายกายถ้าตีความว่ากายเหมือนที่พระครูเตือนอยู่เสมอว่าอย่ามองว่าคําว่ากายคือร่างกาย ถ้ามองว่าร่างกายนี้จำมองไปไม่ออกเลยใช่จะมองไปไม่ออกเลยว่ากายเหมือนกันสัญญ า, าเหมือนกันสัญญาต่างกันกายต่างกันและไอ้กายมันคือยังไงกายที่ต่างกันสัญญาต่างกันถ้ามันฝังกัอยู่ว่ากายเป็นเป็นบอดี้เป็นร่างกายเป็นตัวตนที่เราเห็นเอยู่เนี่ยผมว่าสิ่งที่ผ่านมาไปไม่เป็นนะครับผมคิดว่าประเด็นที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ ผมมาเรียนธรรมะอิสระตามสํานึกกับพ่อครูนะครับผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเป็นเช่นไรนะครับผมอยากย้อนประวัติศาสตร์ชีวิตนิดนึงครับพ่อครูครับในช่วงชีวิตที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะครับคือผมเรียนรู้ชีวิตมาจากบรรพุรุษในช่วงร้อยกว่าปีที่สั่งสอนกันมามนะครับร้อยกว่าปีที่สั่งสอนกันมาเนี่ยผมเห็นอะไรครับผมเห็นปู่ย่าตายายก็ไปดําเนินชีวิตตามที่ดําเนินชีวิตไปวัดสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรกัน นะครับไปอะไรครับไปบนบานสารเก่าวครับพ่อปู่ครับก็เห็นก็บนอยู่อย่างนั้นนะครับก็บนกันแล้วก็บนกันอีกแก้บนกันแล้วก็แก้บนกันอีกนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับบอกว่าเอ๊ะต้องนุ่มขาวหขมขาวครับแล้วก็ต้องไปนั่งหลับตาทําสมาธิผมเป็นเด็กครับผมเป็นเด็กสมัยผมเป็นเด็กเล็กๆนะครับผมก็อยากจะเรียนหนังสือเก่งครับเขาบอกจะเรียนหนังสือเก่งต้องนั่งหลับตาท่องนะครับแล้วแต่จะ นับหนึ่งไปหนึ่งเข้าออกหนึ่งสองสองหนึ่งเข้าไปว้ากันเรื่อยครับหรือก็เริ่มมาเป็นพูดโทรอะไรกันเรื่อยแต่แท้ที่จริงแล้วมีความรู้สึกว่าเรามองเป็นเด็กๆว่าเออเรามาศึกษาพุทธศาสนาเนี้ยเพื่อจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาอนะครับผมมานั่งทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็มานั่งดูแล้วว่าเอ๊ะทําไมชีวิตมันก็ยังวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็ไปมองผู้คนหลากหลายก็ยังวนเวียนกันอยู่ เหมือนเหมือนเดิมเดมาันอยู่จนวันนี้เราเราเห็นได้ชัดว่ามีคดีเยอะแยะนะครับเกี่ยวคดีพระสงฆ์นะครับพ่อู้ครับก็ทำบุญจะสร้างวัดสร้างอะไรกันกลายเป็นเรื่องตลกกันทางสังคมว่ามีการสร้างพระรุ่นอะไรครับข้ามทวีปกันนะครับระหว่างแปซิฟิกกับ ท, ทวีปสองทวีปนะครับอยู่กลางอยู่กลางอากาศนะครับวันนี้ก็ถูกปลดจากพระ เป็นหลวงปู่ที่นับชาติตกอนเดี๋ยวนี้ก็เป็นนายเป็นอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าบทนี้คนศึกษาธรรมต้องมาทบทวนไหมอันนี้ผมพูดปเปลยบ่นนี่เพราะว่าอยากจะพูดนะนะที่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ถืออาศัยอภิสิทธิ์ตรงนี้มาพูดเพื่อที่จะได้มามองทบทวนแล้วผมก็อยากให้ทุกท่านได้ทบทวนตนเองกันว่าเรามามรีอิสระตามสํานึกเนี่ยมาเรียนธรรมกันเนี่ยแล้วเราได้ได้ต้องตั้งสติตรงไหนบ้างที่จะมาลึกหรือมองดูนะครับในอดีตนะครับ ที่ผ่านมาว่ามันใช่ไหมเพราะเมื่อเมื่อเรามาเรียนอิสระตามตรรมเนื่องเนี่ยโดยที่ผมต้องมาซักถามพ่อครูเนี่ยครับมันเป็นทําให้ประเด็นผมต้องมามาย้อนถามตัวเองว่าความเข้าใจในีสัตววาดความเข้าใจในรูปและกายเนี่ยความเป็นไปตรงนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการสอนกันขอประทานโทษนะครับครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มานั่งทบทวนเพราะผมก็ถูกเรียนเช่นนั้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะตอนเวลาผมนั่ง สิ่งเหล่านั้นนะครับนุ่งขาวห่มขาวนะ่ะไปนั่งเรียนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเรียนเรียนทั้งทฤษฎีเรียนหลายค่ายครับครูคนนี้ว่าอย่างนั้นทฤษฎีอ่าพูดง่ายๆสำนักนี้ว่าเรียนหมดครับโดยหลักการหา้หาหลัหกหกหลักมีทั้งแบบพุดโทมีทั้งแบบอะไรก็หลายหลา ย, หลายแบบก็ว่ากันไปผมเนี่ย มักจะเรียกตัวเองว่าผมเป็นไอเนน้อยไอเนน้อยอย่างผมมันโซนมันแสบครับพ่อครูครับผมก็พยายามที่จะมองเพราะผมก็มีความสึกว่าเอ้ผมก็มาอยู่กับพ่อครูพ่อครูก็สอนว่าเออเราก็เรียนรู้มาเนาะว่าอายตนะเนี่ยมันต้องครบอะครับเพราะนั้นการทําหน้าที่ทุกอย่างมันจะมาหลับตานั้นก็ไม่ได้ผมก็แอบมองเหมือนกันนี่พูดตรงตแอบมองคนสอนผมนะครับว่าไอ้นั่งหลับตาเนี่ยนั่งแล้วมันเป็นยังไงครับผมก็เห็นก็นั่งโงอกนั่งหลับอะครับเงื้อเงื้อเงื้อเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยมีความสับ แล้วผมก็รูสึกเอ๊ะแล้วผมได้อะไรจากการนั่งโงกนั่งงืบครับก็มีความกลับไปตอบคำถามเองว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันมันเห็นปัญญาสิ่งที่ได้คือได้เห็นปัญญาว่าไอ้วิธีเนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่สําหรับเราแล้วสิ่งที่เราได้รับการเรียนการสอนบอกว่าต้องไปมองดูว่านั่งแล้วมันเมื่อยแล้วมองไอ้ความเป็นเมื่อยเนี้ยให้มองว่ามันเป็นเวทนาแล้วก็มองเวทนาให้ให้มันเห็นไปว่าไอ้เมื่อยเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยแล้วมันก็คายไปแล้วก็เกิดขึ้น ผมก็เลยมีความสุขว่าทําไมผมต้องเอา ร, ร่างกายหรือสังขารผมมานั่งทรมานแล้วก็มามองทรมานอยู่เพราะอะไรเพราะมีความสึกว่าทุกวันนี้มันก็ทรมานอยู่แล้วครับมันก็ต้องเดี๋ยวลุกนั่งขยับเดินอยู่แล้วก็มานั่งคิดใหม่ว่าแล้วเส้นทางที่มันจะควรจะเป็นไปยังไงมันทุกครั้งที่มามาเรียนรู้กับพ่อครูรูเหมือนจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นกับการอธิบายอันนี้ไม่ได้มายกยอพ่อครูกันนะครับก็เลยมี<ส>ความสึกว่าเอ๊ะหลายท่านที่ที่กำลังดูทางบ้านเนี่ยนะครับ ผมพูดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลองทบทวนตัวเองก่อนที่จะเข้าบทเรียนเพื่อเกินนำนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่ผมจะจะเกินนำมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองดูว่าทำไมทาไมประเด็นที่สำคัญเนี่ยถึงมีอาณาปานุสติ บอกว่าให้มาดูที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อวานนี้ผมเห็นมีมีเอเซเที่บอกว่าหายใจเข้าหนึ่งนาทีนานหนึ่งนาทีอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมก็มานั่งคิดผมมานั่งคิดว่าทําไมพระพุทธองค์เนี่ยนะครับมีคําอยู่คำหนึ่งที่พูดอยู่เสมอคือคําว่าปัจจุบันแล้วคําว่าปัจจุบันมาเชื่อมกับอาณาปานุสติอย่างไรากับการกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างไรผมก็มานั่งอื้พบอยู่เรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าเลยต้องมาถามพ่อ <c oughs> คุณว่าไงก็คือ ก็เรายังมีชีวิตอยู่ครับเมื่อหายใจเข้ามันก็แสดงว่าเราร่างกายเรายังมีชีวิตอยู่หายใจออกมันก็ยังมีชีวิตอยู่และ้ขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะหายใจเข้าไหออกมันคือปัจจุบันใช่เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ปัจจุบันมันก็ต้องรู้หายใจเขรู้ว่ายังมีชีวิตหายใจเข้าหายใจออกนี่คือการจะต้องเรียนรู้ความมีสติความเป็นองค์ตรงนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับครับถูกต้องเมื่อกี้นี้เป็นประเด็นที่อาตมาคิดว่า จับประเด็นจากจะอามาอธิบายสักสองประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็คือประเด็นที่บอกว่าไปนั่งแล้วก็เมื่อยมเมื่อยแล้วก็กําหนดว่าไอ้เมื่อยนี่แหละเป็นเวทนาอ่ามันปวดมันเมื่อยนี่แหละมันเป็นเวทนาที่จะต้องเรียนรู้ครับซึ่งอัตามาก็จะไขความตรงนี้ก่อนอ่าเป็นอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของที่ผุพูดต้นหลังเนี่ยในเรื่องของปัจจุบัน ที่รู้ในปัจจุบันเนี่ยคุณรู้รูปและคุณมีนามในปัจจุบันกับคุณจะรู้รูปหรือคุณจะรู้นามในเมื่อไม่มีปัจจุบันอ่าจดประเด็นไว้นะอาจารมันจะลืมมันจะลืมเดี๋ยวอาจมาจะทวนแต่เผื่อธิบายตอนแรกอธิบายเรื่องปวดเรื่องเมื่อยแล้วก่อนอ่าสองประเด็นประเด็นแรกที่บอกว่า ที่ไปเรีนเรียนกันนี่อาตมา ก, ก็เรียนมาอย่างนี้ก็ผ่านมาทั้งนั้นแหละแต่ก่อนนี้ยังไม่รู้แต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อาตมา ก, ก็แต่ก่อนนี้กัคบคนเรายังโง่ก่อนเรียนอย่างงั้นแหละขอภคยนะที่อาตมาว่าเรียนอย่างงั้นโง่คือมันผิดไงรเรียนแล้วมันผิดมันก็ต้องเรียกว่าอย่างงงงนี้เพื่อนีเลยยังไม่รู้เรียนอย่างมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเรียนยังผิดทางไปผิดทฤษฎีหรือผิดทิฐินะผิดมิจฉาทิฐิไปมันไม่ถูก าการเป็นนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็บอกว่านี่แหละคือทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ที่เมื่อยนี่แหละก็ดับทุกข์ที่เมื่อยเป็นนั่งแล้วมันก็เมื่อยเป็นดับทุกข์ไยิยากแล้วขยับเขยื้อน Pause เปลี่ยนเัืงเปลี่ยนสรีรืเปลี่ยนในการนั่งอย่างนั้นขยับซ ะ, บะดัดหน้าดัดหลังหรือดั ด, ดัดตัวที่มันเมื่ อ, อยมันก็หายทุกข์แล้วนี่ทุกข์อย่างนั้นเขาเรียกว่ากายิกทุกข์กายิกทุกข์ทุกที่องค์ประกอบประชุม มันรวมไปด้วยสรีระทั้งหมดกับความรู้สึกการ ย, ยกระทุกนี่คือทุกข์ของรูปและนามนะครับคือทั้งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบทั้งมหาภูตรูปและนามมารูปรไอ้ที่ว่าเรารู้สึกทุกข์นั่นก็คือมันไม่สบายบมันปวดมันเมื่อยอ่าและที่ปวดเมื่อยนี่คือปวดอะไรปวดเมื่อยตัวดินน้ำไฟลมแท่งก้อนร่างครับร่างมันไม่สมดุล น, นั่งแล้วมันก็ปวดก็เมื่อย การที่ไม่สบายเรียกว่าท <high> ุกข okay, ์อันนี้เนี่ยนะทุกข์ไม่สบายร่างกายตรงร่างกายนี้จึงเรียกว่ากายกทุกครับไม่ได้แปลว่าร่างเดียวไม่ใช่แปลว่าร่างกายเท่านั้นครับไม่จะแปลว่าร่างกายเท่านั้นนะแต่ต้องมีนามคําว่ากายนี่กำชับอีกคําว่ากายยะนี่ต้องมีนามประกอบเสมอต้องมีธาตุรู้ต้องมีวิญญาณร่วมอยู่ด้วยกับคําว่ากายทุกอันครับถ้าไม่มีคําว่าธาตุรู้หรือนามเข้าไปร่วมกับกายเนี่ย คำว่ากายไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ร่างถ้าร่างเฉเฉยในร่างโครงสร้างมหาปุตตรูปดินน้ำไฟลมเฉเฉยหรือว่าร่างของเนี่ยรูปร่างของเจ้าในเนี่ยครับของฟักข้าวอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีธาตุรู้มันไม่มีมียามันไม่รู้มันไม่ไม่มีกายครับอันนี้ไม่มีกายมีแต่ร่างอืไม่มีน้บ น้ำคือาธาตรู้ไม่มีมันไม่มีวิญ ญ, ญาณมันมีาธาตรู้ครับนะให้ตายยัางไงมันจะไปกระทบสัมผัสกับอะไรอะไรทั้งปัจจุบันอนาพค์อดีตอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องครับนะมันไม่รู้เรื่องแต่คนนี่เป็นาธาตุนีจิตวิญญาณไมอาเมียสังขารนี่จิตวิญญาณเพมันจะรู้เรื่องมันจะรู้เรื่องก็คือองค์ประชุมครับองค์ประชุมของโบลามวดเจตสิกสามกายนี่ คือหมวดเจตสิกสคือเวทนาสัญญาสังขา ร, รับมันทํางานแล้วมันก็เกิดวิญญาณครัเกิดธาตุรู้ขึ้นมาจากเวทนาสัญญาสังขานี่แหล ะ, ะทีนี้เมื่อไปปวดเมื่อยไปเรียนจนจะได้ ว, ว่านี่แก้ทุกแล้วเพราะดับทุกแล้วเพราะว่ามันนั่งไปแล้วมันเมื่อยก็เลยพยายามเห็นความไม่เที่ยงเห็นอะไรอะไรของมันแล้วก็จะ ต, ต่างนานานแล้วก็เลยลึกจะ แกยังไงก็แล้วแต่บางคนซึ่งอาตมาบอกมันแก้ไม่ยากมันเปลี่ยนอิเลียบ ท, ท่านั้นเองมันก็หายเมื่อยแล้วหรือว่าถ้ามันมันปวดแข้งปวดขากระลุกเดินหนี่าไปนั่งอยู่อย่างนั้นอีกแสดงว่าสตีระเราไม่ไหวแล้วร่างเราไม่ไหวแล้วครับแล้วก็แก้ซ้ามันก็หายทุกครับมันไม่ใช่เจตสิกทุกมันเป็นกายยิก่กระทุกเป็นกายเป็นทุกข์ที่รวมทั้งร่างกายทั้งรูปปรนามทั้งร่างกายมหาภูตา ร, รูปคกับ นามารูปด้วยครับจึงเรียกวัตถุกายทกระทุกครับส่วนทุกขที่พุทธเจ้าทจะให้เรียนและก็ให้ดับเหตุนั้นคือดับเหตุตรงที่เป็นเจตสิกทุกข์ครับทุกข์ที่เกิดจากจิตใจคําว่าทุกขที่เกิดจากจิตใจนั้นคือแม้ไม่มีร่างกายก็ทุกได้ครับเป็นนามมารูปเป็นนามกายก็ทุกอยู่ที่ใจครับเป็นจิตสังขาร ไม่มีกายสังขารถ้ากายสังขา น, นี่จะต้องปรุงแต่งทั้งร่างกายดินน้ำไฟลมมหาโพธรูปกับนา ม, มาทำดว้วรนะวลกายสังขารการปรุงแต่งของทั้งรูปและนามแต่ถ้าจะแยกเรื่องร่างกายเฉยก็คือร่างกายคนตายถ้าร่างกายคนตายนี่น ะ, ะเราไม่เรียกว่าสังขารแล้วจะเรียกว่าสังขารก็ได้เป็นสังขารของ รูปเฉยๆรูปปสังขานรูปปารูปปังเป็นรูปเหมือนกับพวกเนี้ยเหมือนกับดินน้ำไฟลมเหมือนกับรูปพวกนี้มันไม่มีวิญญาณแล้วรูปคนตายเนี่ยร่างกายคนตายเนี่ยนะร่างกายคนตายเนี่ยจะเรียกว่าสังขารร่างกายสังขาร่างคำว่ากายคืออาตมาบอกแล้ววเมืองไทยเนี่ยมันสวยตรงที่ว่าเอากายรปผูกกับร่างครับมันก็เลยเข้าใจว่าร่างนี่คือกายสิริระนี่คือกายอ ตัวกายไม่ใช่สรีระครับแต่กายรวมสรีระได้ไม่รวมสรีระไม่มีสรีระก็ได้ ม, ม, มีแต่นามมีแต่นามะกายไม่มีไม่มีร่างก็ได้เป็นองรวมกายเหมือนกันนามะกายถ้ารูปะกายเนี่ยรวมทั้งตัวร่างข้างนอกที่นี้คำว่ารูปเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ถูกรู้ รูปนี่หมายความว่าสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่ารูปปยครับก็คือสิ่งที่ถูกรู้ที่รวมหมดเลยครับตาหูจมูกกลิ้นกายนี่คือข้างนอกห้าทวาอรประเด็นห้าทวานี้เมื่อมีปัจจุบันครับตอนนี้จะเข้าไปถึงตัวปัจจุบันนะครับเข้าไปถึงเรื่องปัจจุบันอะไรเนี่ยเมื่อประเด็นที่สองละ นาเมื่อกี้ประเด็นที่หนึ่งนาสรุสปนิดนึงว่าให้รู้ว่าไปเรียนผิดว่าไปแก้ทุกไปแก้ที่กายยิ่งกระทุก ค, ความจริงไม่ใช่ประเด็นแต่เราจะแก้ทุกกา ย, ยิกระทุกก็แก้แต่ก็ต้องแก้แล้วทุกคนก็ต้องแก้มันเจ็บปวดเมื่อยอยู่ที่กายก็แก่แต่ถ้าเผลอว่าคุณเจ็บป่วย ร่างกายคุณไม่สมดุลร่างกายคุณเป็นแผลเป็นนั่นเป็นนี่ ค, คุณแก้ไม่ได้หรอกจะแก้ทุกด้วยวิธีที่คุณจะมานั่งเพ่งนั่งพิจารณานั่งอะไรมันไม่หายถ้าไม่ไม่แก้ที่เหตุที่แผลที่บ่วยที่เจ็บที่ปวดนั้น ค, คุณไม่หายไอ้นั่นไม่ใช่เหตุทีนี้ไอ้ทุกข์ที่แก้ของพระพุทธเจ้านี่คือเจต่สิ่งทุกข์ที่เป็นเหตุทางจิตใจทางจิตใจจึงเรียกว่าดับทุกข์ดับทุกข์ตรงนี้ ในะร่างกายมันจะเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกาย<ม>เกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่ตัวทุกข์มันเป็นกายยิ่กับทุกข์เท่านั้น<ม>ที่จะแก้กันดัง้งร่างกายแต่ทุกข์ที่ให้เรียนนี่คือทุกข์ปรมัติทุกข์ทั้งจิตเจตสิกจิตเจตสิกรูปก็รูปก็คือรูปทางนามธรรมนามมารูปไม่ใช่รูปข้างนอกเพราะฉะันอตอนนี้นะอันนี้นะอาตมาว่า แหมเข้าใจยากแก้ความเข้าใจนี้อาตมาคิดว่าโอ้โหมันตลอดชีวิตนี้อาตมาจะแก้ไขไปได้สักกี่คนมันไปติดสมุติบัญญัติด้วยไงครับใช่ครับมันคือมันเรียนมันก็เลยใช้อเจอคนก็เลยขออภัยนะไปเรียนอย่างนั้นเจ็ดยืดยื้องนั้นจึงมันไม่มันก็เลยขออภัยต้องพูดจริงๆไม่มีทางมรรลุธรรมครับเนี่ยปฏิยุทธิอย่างนั้นไม่มีทางบรรลุธรรมครับเพราะว่าอ่านกายไม่ออกเมื่ออ่านกายไม่ออกก็ไม่รู้จักสัตวว่ากล้าไม่รู้จักบิณญาณทิดนี้เจ็ แน่นอนเพราะจา ต, ตรัสเลยหนึ่งสองสามสี่ข้อนี่เห็นกายเห็นสัญญาถ้าเข้าใจกาย ก, ายกับสัญญาในสี่ข้อของออวิญญาณวิญญาณชิติกะสัตวะตวเก้าเนี่ยไม่ได้นี่นะมันก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาความจริงของกายนอกกายกายในกายจนกระทั่งเข้าไปถึงนามกายทั้งหมด ซึ่งจะต้องไปรู้นามกายทั้งหมดไปรู้นามกายทั้งหมดนี่นะเริ่มต้นนะเรื่องของปัจจุบันครับถ้าเราสัมผัสอยู่สัมผัสตาหูจมกูกลิ้นกายสัมผัสอยู่เป็นปัจจุบันครับคุณก็จะมีรูปกายและนามกายใช่ครับเป็นนามรูปพร้ อ, รอมๆเลยนะ สิ่งที่ถูกรู้ทั้งภายนอกและภายในพร้อมกันครับเพราะฉนั้นจะเกิดอารมณ์จะเกิดทุกข์เกิดสุขคุณก็แก้ตรงนี้เป็นสําคัญทีนี้ถ้าคนไปปฏิบัติธรรมไปหลับตาปัจจุบันถ้าหลับตาทําความไม่รับรู้ทางทวารนอกครับผู้ที่นั่งหลับตาสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นฌานเป็นสมาธิหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในผวังนี่แหละอืข้างนอกห้าทวารนี่ปิดไงไม่มีปัจจุบันในห้าทวารนี้อืม จึงมีแต่ปัจจุบันอยู่ข้างในเรียนรู้แต่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจึงไม่คบนามรูปไม่ครบรูปนามเรียนไม่รู้รูปนามก็ไปรู้แต่รูปที่อยู่ข้างในเท่านั้นซึ่งเป็นนามรูปที่จะต้องมีปัจจุบันมีปัจจุบันนี้คือเรียกว่ารูปรูปปัจจุบันเป็นอุปาทายรูป อุปาทายะรูปเนี่ยมีถึง24รูปครับรูปข้างนอกเนี่ย4ครับเพราะเอกราชพระท่านแจกรูปเอาไว้ถึง28ครับรูปข้างนอก4คือตไอ้ดินน้ำไฟลมครับนะพวกดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเป็นรูปรูปอัตมาก็อธิบายไมเท่าไหร่แล้วครับมันก็เป็นตัวของมันไงอย่างฟักข้าวลูกนี้เนี่ยมันมีรูปรูปของมันมันไม่มีน้ำครับ มันไม่รู้เรื่องหรอกมันเรียนธรรมะไม่ได้หรอกแล้วมันก็จะเกิดเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้ได้มันไม่มีเวทนามันไม่รู้เรื่องแต่มันมีสังขารตามภาษาของดิ้นน้ำเฟลมแช่งก้อนทางฟิสิกส์นั่นปรุงแต่งกันไอทางฟิสิกส์ว่ากันไปครอะมันไม่มีชีวะอะไรมันมีชีวะแต่ชีวะอยู่ในขั้นที่ยังไม่มีธาตุรู้ยังไม่เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอนุปาตินากาสังขาร เพราะงั้นไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีอุปาทายรูปครับมันมีแต่มหาพูทรูปอย่างเดียวครับคนตายครับก็ตายแล้วร่างกายก็เหลือแต่มหาพูทรูปอย่างเดียวครับมีแต่ดินน้าไฟลมคนตายครับหรือคนยังไม่ตายที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าในปัจจุบันคุณตัดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณคไม่รู้เรื่องครับคุณไปอยู่แต่ในภายในครับ คุณก็คล้ายๆกับคุณจะมีแต่แค่ข้างในครับแต่ข้างในไม่ครบนามรูปเพราะว่าอุปปาทายรูปเนี่ยมันจะต้องมีตาหูจมูกจินกายสัมผัสครับแล้วเนื่องเข้าไปข้างในให้ศึกษาครับเรียกว่ารูปยี่สิบแปดครับแต่เมื่อไม่ได้เรียนรู้อย่างเป็นปัจจุบันที่มีครบรูปยี่สิบแปดครับ คุณก็ไปเอาแต่รูปคข้างใน <toler ated S 3> อืเมื่อไปเรียนแต่รูปเคข้างในทั้งหมดตุปาทยรูปท่านแจกบอกไว้ทั้งยี่สิบแปดรูปเนี่ยอืม <ผ ically S 2> เป็นรูปที่เป็นคนพิการครับเป็นสภาวะพิการเป็นสภาวะที่ไม่ครบองค์ครับเหมือนคนตาบอดเหมือนค น, นหูหนวกครับเหมือนคนจมูกประสาทเสียเหมือนลิ้นประสาทเสียเหมือนกายประสาทเสียครับไม่ได้รับรู้อะไรครบ เพราะฉะนั้นคนตาบอดคนหูหนวกคนจมูกไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้คืออายตนะข้างนอกไม่มีนี่นะครับปฏิบัติทำไม่ได้ปฏิบัติรำไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จักองค์ประกอบครบเรียกว่ารูปที่จะเป็นวิสัยรูปหรือว่าโคจรรูปครับวิสัยรูปโคจรรูปนี่มีอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จากมหาพูทธ ร, รูปสี่ เพราะฉะนั้นรูปอุปาทายรูปข้อต้นเลยเรียกว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อต้นจริงๆภาษาทรูปหมีตาหูจมูกลิ้นกายนะข้อที่สองก็จะมีรูปเสียงปิ่นรถโพธิพะต่างๆภาษาทรูปกับโคจรรูปคุณไม่มีแล้วปภาษาตาหูจมูกลิ้นกายคุณก็ปิดแล้วอุปาทายรูปคุณก็ คนตาบอดเป็น ค, คนหูหนวกอไมนคนจมูกไม่ลินมีกรีบไม่มีประสาทครับแล้วคุณจะศึกษาอุปาทายจะรูปรู้ได้ยังไงในอุปาทายรูปยี่สิบสี่แต่แค่ภาษาทรูปโคจรรูปนี่คุณก็ไม่มีทางได้ได้เรียนแล้วครับก็เท่ากับคุณคนตาบอดหูหนวกจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทกายไม่มีประสาทพระเจ้าตรัสไว้ในอะไรสูตรอะไรก็ไม่รู้ครับในอ อของอที่มาคุยให้ฟังว่าคนตาบอดอะไรที่คุยให้ฟังอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยเลมสามสิบห้าข้ออะไรเอาเอาเปิดออกมาดูเลยก็ได้ข้อนี้ยังไม่ได้อ่านหรอกสูเดนทํเขาเปิดรู้ว่าเนี่ยถ้าไม่มีครบปรานทวารทั้งห้านี่ทั้งนอกเนี่ยมันจะไม่ได้อะไ ร, ร ม, มันมันมันจะปฏิบัติทำไม่ได้พระพุทธเจา้าจะตัดไปอย่างเมื่อย่างนั้น มันไม่มีอะไรสัเหตุทุการางเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่มีเหตุครับมันไม่มีปัจจัยนะมันม่มีอะไรประกอบเราลองลอ ง, ลองอเปิดมาดูนะอาตมาอธิบายไปก่อนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อธิผู้ที่สะเหตุทุกลับปฏิสนธิครับเดี๋ยวเขาคนหาอีกนิดหนึ่งนี่แหละอาตมาเริ่มต้นแต่แค่ว่ารูปยี่บแปดรูปยี่สบสี่เนี่ย มหาพุทธรูปนั้นมันมีแต่รูปข้างนอก ร, รูประรู ป, ปังมันจะไม่มีอะไรรับรู้เรียนอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นจะเรียนมันต้องมีทั้งมหาพุทธรูปและมีทั้งอุปาทานยรูปคอีกยี่สิบสี่อีกยี่สิบสี่นะมันจึงจะสามารถที่จะรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะรู้ครบที่อัตมาอธิบายชัดแล้วว่าคุณจะรู้โดยที่เรียกว่าเรียนรู้รูปต่างๆเหมือนคนตาบอดคนหูหนวก ไอ้ที่อาตมาพูดนี่คือคนคนี้นี่ตาก็บอดหูก็หนวกจมูกก็สะพิกปลือภาษาพิการคร่ะลิ้นก็ภาษาพิการภาษาทะรูปรรมไม่มีครับลิ้นก็ภาษาพิการกายก็สัตวภาษาพิการทั้งนั้นเลยนะถ้ทาทั้งข้างนอกนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่พิการหมดครับและคนก็จะเรียนรู้อริยสัจสี่จ้างก็ได้ อ, ร, อ, ดอริยสัจสี่หรอกจ้างก็รู้ทุกสมุทัยนิโรธมากหรอกครับ นี่ปันชัดเจนเลยว่าคนที่ไปศึกษาหลับตาเนี่ยมันผิดทางของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าจะต้องมีอุปาทายรูปที่ครบไปด้วยภาษาทรูปแรกคือภาษาทรูปห้าโภชารูปหรือวิสัยยารับหน้ามีตาหูจมูกลิ้นกาแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะแล้วจึงจะเห็นอะไรใจต่างๆนานาซึ่งจะเป็นภาวะรูปเป็นหาทายุรูปหาทายรูปก็ไปเข้าใจว่าเป็นรูปหัวใจไม่ใช่เป็น ที่อยู่ของรูปเ อ, อที่อยู่ของจิตวิญญาณนั้นครับฮัทไทนี่เป็นจิตวิญญาณ ท, ที่อยู่ของที่ตั้งของเ อ, อที่ตั้งซึ่งมันไม่มีที่มันไม่มีดินน้ำไฟลมมันไม่มีสถานที่มันไม่มีที่อย่างในร่างกายเราเนี่ย<ำ>มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้จิตวิญญาณอยู่ในนี้มันเข้าไปมีปัจจุบันสัมผัสต ร, ตรงไห น, นที่นั่นแหละเป็นที่ตั้งอ๋อ นี้ชิวนี้ชิวนี้นิ้วชี้เข้าไปแตะคืนตรงนี้ขณะนี้ครับนี่ก็คือที่ตั้งความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาเรียกว่าอัยรูปรูปของใจตั้งตรงนี้เกิดตรงนี้ตาไปกระทบรูปตรงนี้หน้ะและที่ตั้งอยู่ที่ตากับรูปนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอามานะไมัยรูปวัตถุสิ่งของอตาผมเอาเคาะเนี่ยผมเป็นทําเป็นลูกศอนมาครูปักเนี่ยมันก็ตรง ที่ตรงั้งตรงน<ร><ร>ั้น <หา S 1> ท, ทีนี้ไปอธิบายกันว่าหัตถยรูปนี้คือค ร, รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจห้องสี่ห้องอยู่ที่ห้องที่สี่ไอ้ตรงที่อยู่เนี่ยมีน้ำเอ่อสีรํามันน้ําเงินนิดๆอะไรใสๆอยู่ที่นั่นนั่นแหนและหัวใจอยู่ที่นั่นเลยเป็นตัวเป็นตนไปหมดเลยเวญจริงๆเลยครับ เป็นสรีระเป็นตัวเป็นตนเป็นหมดเลยเพราะฉะนั้นหัยาลูปจริงๆนี่นี่แหละอธิบายการหัตถายาลูปการได้เกิดทั้งหมดได้เคยได้ยินทั้งเอ่อที่เรียนอริธรรมกันเนี่ยเรียนอย่างนี้เลยถ้าถ้าจะพูดเล่นลิ้นตอนมันต้องเกิดห้าห้องนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นห้องของจมูกหนึ่งห้องถูกไหมครับห้องของจมูกหนึ่งห้องลิ้นหนึ่งห้องตายหนึ่งห้องถ้าจะเป็นห้องอ่ะตาห้องหนึ่งห้องแล้วหูห้องแยกห้องย่อยมันค็ไม่ใช่สี่ห้องหัวใจที่เรามีอยู่ เพราะว่าเพราะว่าการผัดศะเนี่ยมันเกิดจากสะพานอายตนะทั้งหมด5ทางนะครับซึ่งยกเว้นใจนะครับอยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นที่ตั้งนี่ต้องเกิดสังจากผัดศัผัดศังามมีผัดศัแล้วจะเกิดที่ตั้งของขัตทยรูปครับรูปจะตั้งอยู่ตรงนั้นในปัจจุบันนั้นเมื่อเลิกปัจจุบันแล้วขัตทยรูปก็ไม่มีอืทีนี้ผมขอให้ทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงครับปะกูครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ อ่นะครับแล้วพอผมนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยตาผมกำลังมองตัวหนังสือถูกไหมครับแต่ในขณะวันนี้มาแด่ววิทยุมาไม่เป็นไรครับในขณะถ้าเกิดมีการเปิดเสียงวิทยุกันขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือถูกไหมครับผมไม่ได้ยินวิทยุทั้งที่เปิดวิทยุใกล้ๆตรงนี้ถูกไหมครับนั่นแสดงว่าไม่มีที่ตั้งไม่มีทีตั้งของจิตทั้งหู ตรงนี้จะเป็นยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบางทีบอกเอฟทําอะไรอยู่เรียกจนคอแทบแตกกลับไม่ได้ยินเพราะเขาไม่ได้เอาที่ตั้งตรงนั้นมาใช่ครับเพราะว่าการเคลื่อนของสะพานก็คืออายตนะนั้นไม่เกิดสะพานเกิดขึ้นเชื่อมของของอายตนะตรงนั้นใช่ใช่อยู่ตรงนี้เท่านั้นใช้อยู่ตรงนี้เท่านั้นถูกไหมครับมันนั้นแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่พ่อครัวอธิบายก็คือว่า ประเด็นที่สำคัญคืออายแธนนาของมนุษย์เนี่ยมันมีกันอยู่แค่นี้คือภายนอกพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งบอกไงว่าเรื่องของแรกก็คือป่าสาทรูปก็คือเพียงแค่ห้าเท่านั้นเองภาษาทรูปโครจรรูปสองอันนี่นะที่มีตากับมีรูปมีเสียงมีรสมีกลิ่นเนี่ย ค, คู่กันเนี่ยคู่กันเนี่ย ม, มันไม่มีแล้วเป็นคนตาบอดหูหนวกจมูกแหวงจมูกประสาทเสียลินประสาทเสียกายประสาทเสียไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็เหลือแต่จิตใจเท่านั้นเองจิตวัญญาณเท่านั้นเองแล้วก็เรียนธรรมะรูปนามมีตุจูอยู่แค่นั้นเองครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะครับนะไม่ขัดบทที่หนึ่งครนะ <c oughs> ับท่านผู้ชมครับที่ผมอธิบายแล้วพยายามถามพระครูเพื่อ <c oughs> เพื่ อ, อยังไงต้องต้องย้อนว่าไม่งั้นพุทธเจ้าท่านคงไม่บัญญัติขันห้าอิจตนาหกออกมาแล้วบทบาทของความเป็นขันห้าของอจตนะหกเนี่ย นะครับในการอา ธ, ธิบายทาต่อเรื่องจนพรวกวออธิบายเนี่ยไม่งั้นก็คงต้องเป็นฟันเฟืองที่มาขัดตัวเองอย่างแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรวกวออธิบายเนี่ยไม่ขัดก็แสดงว่าความชัดเจนถูกต้องเนี่ยก็คือเป็นแนวที่กาลังอถธิบายอ่าน<ห>นี้เดี๋ยวคนพบเนีอ่ อ, อ, อันนี้เราอยู่ใน<อ>พระเต<อ>ปรดกเนี่ยครับพระเตปรดกเล่มอะไรนี่เล่มอะไรเดี๋ยวข้อพันพันเก้าสิบหกเก้าสิบห้าอ่อ ข้ อ, อเล่มอะไรเล่มอะไรส้าเล่มสสิ้าข้อพ96นี่นะผู้ใดมีปฏิปิบดกไปคนดูอัตมายังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยเป็น <c oughs> แต่เพียงว่าคุณสู่แดนธรรมผู้ที่ช่วยอินเสิร์ตภาพอะไรอให้อัตมาอยู่ขณะนี้เนี่ยได้ไปพบแล้วก็นำมาบอกอัตมาบอกว่าทุกอย่างนี่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรจะต้องมีสมัยปฐมกับ คือหมายความว่าในปัจจุบันนั้นสมัยยคือสมัยในสมระมในขณะนั้นจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เลไลชานจะเป็นสัตว์นรกอะไรก็ตามเรียกว่าอุปปาติกษสัตรเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีอายตนะทั้งนั้นและในกามาจอในกามาจรในการดำเนิอนอยู่ในพบการที่มีตาหูจมกูกหินกายนี้เท่านั้น ซึ่งมันมีความลึกซึ่งซับซ้อนที่อาตมาพยายามแก้กลับจากที่ไปหลงผิดแล้วก็ไปยึดผิดอุปทานผิดแล้วก็ไปเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐุ ป, ปาทานกันเหนีนวแน่นและก็เสีลปะตุ ป, ปาทานกันเหนียวแน่นอาตมาจะอธิบายอย่างไรอย่างไรก็แก้ไขนี่ยากเพราอเกิดไม่รู้จะทํำยังไงครับเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนรูก้การมสัญญาหรือการมอวจ ร, รเป็นเบื้องต้นทางกลางเบืองปลายจึงไม่เกิดเพราะ ตาหูจมูกลิ้นกายเทวากามาวจรแล้วเข้าไปอยู่แต่ข้างในรูปาวจรใรูปาวจร<ม>ก็เลยไม่มีเบื้องต้นทางกลางมันปลายแล้วก็ไม่มีสิ่งจริงที่จะเกิดญาณปัญญารู้จักหยาบรู้จักกลาง ร, รงู้จักละเอียดยังไม่เรียนรู้ตัวช้างมไม่รู้หัวชา้างกระขาช้างผนังช้างตัวช้างหวงช้างอะไรแล้วก็จัดการจัดการกับตัวนี้ออกจากปวยกาให้ได้ก่อน ไปงมแต่หางช้างอยู่นั่นแหละเว่าจะพยายามเอาหางชาง้างออกให้ได้ทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าไอาการที่จะเอาอะไรออกจะตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งได้แล้วเป็นเล้วก็ค่อยจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเมื่อตอนตรงกลางมันปลายราดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลเนี่ยครับมันไม่ได้ยังไงยังไงก็ไม่ได้นะที่อาตมาว่าอันนี้นี่ก็ชัดที่ว่าอารูปมาอธิบายนี่นะครับที่มีมหาพูทธ ร, รูปแล้วก็เป็นสุ ป, ปาทายรูป ยี่สิบสี่เข้าไปนี่ต่อเนื่องเข้าไปเนี่ย เ, เยรพราะเริ่มต้นอุปาทายรูปข้อแรกประสาทรูปข้อสองโคจรรูปเนี่ยก็ไม่มีแล้วอุปาทายรูปสองอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกล่าวถึงรูปต่างๆที่จะเรียนในนั้นต่อไปเพราะคุณเป็น ค, คนหูหนวกตาบอดจมูกบอดลิ้นบอดต้องเรียนมุรคจารีะรอะไรแล้วมันไม่มีประสาทมารับรู้ทั้งห้าทวารแล้ว ค, คุณก็ไม่ต้องรู้อะไรหมดเลยทั้งนี้ ก็ไม่ได้ไม่รู้รูปนามเพราะงั้นรูปประกายของคุณนี่ตกเลยศูนย์เลยครับุณไปหลงเรียนนา ม, มากายอย่างเดียวและนา ม, มากายของคุณอย่างเดียวก็มีแต่มโนมนายตนากับธรรมายตนะเท่านั้นครับเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันจู๋จังเลยครับอมันจู๋จูมันยังไงไม่รู้ครับออ ว่าเนี่ยนี่อาตมาขยายให้ฟังและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้กบอกแล้วว่าต้องมีผัสสะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอจึงจะเรียนรู้ของจริงครับเอาล่ะคุณยังไม่ตายยังไม่หูบอดตาหนวกเหมือนที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ให้คุณมีอยู่ก็ตามในปัจจุบันใดปัจจุบันขณะใดตาคุณก็ไม่ไปกระทบรูป แค่ <G l iffe> ว่าแต่ขกขั้วเมื่อกี้อธิบายแล้วอืตาจ้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้สนใจหูครับหูยังไงก็ไม่ได้ยินค อ, อันนั้นซับซ้อนอีกครับอ่าตาไม่กระทบรู้ในปัจจุบันหูไม่กระทบรู้นปัจจุบันจมูกไม่ได้ครบกินในปัจจุบันลิ้นไม่ได้กระทบในปัจจุบันกายไม่ได้สัมผัสในปัจจุบันทั้งหลายทั้งแหล่นี่นะคือไม่มีผัสะนั่นเองอืครับปัจจุบันคุณก็ไม่มีรูปนามครับปัจจุบันคุณก็ไม่มีรูปนาม มันจะมีอย่างเดียวคือรูปคือรูปะรูปังครับที่ไม่มีกายด้วยอืนามคุณไม่มีลครับเพราะในปัจจุบันนี่คุณไม่ไม่มีตัวนามเข้ามาร่วมกับรูปอืนะมันก็อยู่ดินน้ำไฟลมของมันก็อยู่เท่านั้นเองครับอปัจจุบันที่ตาสัสมผัสคุณก็ไม่มีอเยตนาก็ไม่เกิดอืมันก็ไม่มีอะไรนามที่จะไปรู้เรื่องได้อะรครับมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอนะเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมนั้นจึงขาดวินวินขาดรูปไปหมดสิ้นเลยสรุปแล้วปฏิบัติธรรมที่นั่งหลับตาแล้วเนี่ยรูปยีสบแปดนี่นะครับคุณตัดไปทั้งหมดโดยตั้งแต่ดินน้ำไฟลมครับอุปาถายรูปอีกทั้งหมดคุณก็ตัดออกไปหมดเลยแล้วคุณก็ไปด้นดาเอาแต่เอ็ในารายละเอียดของเอรูปลักษณะรูปสี่อุปัชยะ นะสันตติชรตาอานิจตาอะไรพวกเนี้ยอ่าหรือว่าไออะไรต่างๆนั้นนาวิการรูปอะไรเนี่ยเน่งมาเป็นนามธรรมที่ใช้ตรรกะได้ง่ายๆอรู้ได้ไง่ายๆอ่ารูปวิญญัณทารูปสองปริชเฉทรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งอะไรพวกนี้ชีวิตรูปหนึ่งครับแม้หัดไทยรูปคุณก็ไม่รู้ว่าไอรูปนามเป็นยังไงครับก็ไปกําหนดว่าไอไทยรูปคือรูปที่หัวใจ ช่องที่สี่มันเป็นนามธรรมแท้ๆคุณก็ไปเป็นรูปที่หัวใจช่องที่สี่ไปกําหนดสถานที่ไปกําหนดสภาวะตัวตนขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นยากที่จะรู้รูปนามครับสรุปแล้วยากรู้รูปนามสรุปอีกทีหนึ่งจะรู้รูปนามได้ต้องมีผัษครสสะเป็นปัจจุบันเปป็นัจจุบัันอครบในตอนความหมายอันนี้อืม ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่มีพัรษะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันครับคุณเรียนรู้รูปนามไม่ชัดเจนและรูปนามนั้นไม่ถูกต้องครับเมื่อเรียนรู้รูปนามไม่ถูกต้องคุณไม่มีทางไปนิพพานคุณไม่มีทางที่จะไปรู้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นปรมัตธรรมแน่ยิ่งกว่าแน่ครับแน่ยิ่งกว่าแน่เพราะงั้น ขยายความอีกทีนึงนะขยายต่ออีกนิดนึงว่าในรูปกับนามในรูปกับนามที่อาตมาพูดคร่าวๆเมื่อกี้นี้นี่นะเมื่อคุณไม่รู้รูปที่ถูกต้องเพราะมันบ้องมันแบ่งมันขาดมันไม่แด้เลยมหาพูตรรูปอุปาทายรูปที่ต่อเนื่องกันเข้าไปแล้วซึ่งจะมีภาษาธรูปมีโคจรรูปและจะมีภาวะรูปหัตยรูปปุชชีเวตรูป อาหารรูปอะไรพวกนี้ปริเฉดทะรูปวิญญาตรูปอะไรพวกนี้ซึ่งคุณ8ปดเ็ดหท้าอาตมาว่าให้อธิบายซิรูปยี่แปนี่อธิบายมาท้ามันนานแล้วเป็นเดือนแล้วหลายเดือนแล้วท้ามาจะอาตมาไม่รับคาท้าแลยก็ไม่พยายามจะตอบสนองเพราะกลัวอัตราคุณน่าจะสูงเกินไปเพราะทุกวันนี้ตอบรับมาขนาดนี้ก็อัตราแน่มากมายแล้วาหาว่าอาตมาอยากจะ เปคู่ต่อสู้อาตมาไม่เปคู่ต่อสู้หรอกอาตมาแพ้ก็ได้อาตมาไม่ตกไม่เถียงอะไรหรอกแต่เทอี่อธิบายนี่อาตมาเห็นว่าประเด็นที่คุณแปดเศูนย้าว่ามานั้นมันเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่ฟังดีนะเป็นประเด็นที่เข้าใจผิดกันเยอะในวงการศาสนาพุทธจึงนํามาเป็นประเด็นอธิบายธรรมะให้ที่อาตมาใช้สาวตีงูให้กากินอาตมาไม่หวังหรอกพวกว่าคุณนั่นนอะ จะได้กินจะได้กิน ง, งู ค, คุณไม่ได้กินหรอกอัตมาว่าอัตบายไปยังไงไงคุณก็รับไม่เข้าฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่รับไม่มีปรตโตโคสะอยู่ดีนะเพราะงั้นอัตมาถึงบอกว่าไม่ได้หวังที่คุณแต่อัตมาหวังที่ผู้ที่เขาศึกษาคนที่เขามีปรตโตโคสะและเขาก็จะมนานสิการโยนิสมนานัสิการเป็นครับเพราะเขาฟังถูกต้องไอ้นี้ะโยนิสมนานัสิการให้ตายไงคุณก็แม้แต่รูปนี่คุณก็ผิดแล้วตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไปรู้กายเมื่อรูปไม่รู้แล้วหมดทางที่จะรู้กายนะหมดทางจริงๆเพราะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านะั้นะแม่จะบรรลุธรรมแล้วเป็นโสนดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาขึ้นไปเป็นต้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีพูตรูป คุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายครับคุณยังมีอยู่เต็มเลยแต่คุณไม่มีกิเลสกิเลสมันศูนย์อย่างพระอนาคามีเป็นต้นขึ้นไปในกิเลสทางกายครับทั้งไม่ใช่ทางกายทางกามตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือกามครับนะข้างนอกเนี่ยองค์ประชุมข้างนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคุณสัมผัสอยู่ในกามาวจรในกามาพบกับ ชีวิตดำเนินไปอยู่อย่างปกติเอาไวจรหมายความว่ามันมีการดําเนินไปอยู่มันไม่ได้ปิดไม่ได้ดับไม่ได้หยุดไม่ได้หมดไม่ได้หายไปมันยังมีอยู่ครับคุณเอาไวจรอยู่ขณะนี้เป็นอนาคามีขึ้นไปกิเลสของคุณในกาลมาพบนี่คุณก็ไม่มีแล้วอไม่มีแล้วดับสบายคุณอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเนื้อมันครับอยู่อย่างไม่มีปัญหาอยู่อย่างไม่สุขไม่ทุกข์คุณอยู่อย่างสบายเลยอะทีนี้รูป รู ป, ปาวจรรดรูปภพรือกิเลนในรูปภพบับเป็นรูป ร, ราคะรูป ร, ราคะเป็นต้นคุณยังมีอยู่ในอนาคามีนี่ ค, ค, คุณก็กระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงนั่นแหละปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเกิดอาการสัมผัสแล้วก็เกิดกิเลสที่เหลือข้างใน ค, ค, คุณก็อ่านรู้เมื่อสัมผัสเมื่อไรตากระทบรูปก็มีหทัยรูปครับ มันมีที่ตั้งเกิดตากระทบรูปแล้วครับทีนี้ไอ้โฟตากระทบรูปภาษาทรูปโคจารูปก็มีหมดภาวะรูปมันจะเป็นภาวะรูปคือรูปสองอย่างนี่คือมันรูปที่มันลักษณะที่อ่อนไหวกับคือเป็นอิทธิเพศอิทธิภาวะกับปริสภาวะสองอย่างเรียกว่าภาวะรูปครับมันก็จะรู้แล้วซึ่งมันยากเหมือนกันที่จะอธิบายว่าอันนี้เป็นลักษณะภาวะเคลื่อนไหวกับภาวะอิทธิภาวะกับปุริสภาวะนี่ คือสิ่งที่มันเป็นอะไรละ่ะเป็นลักษณะที่เรียกธรรมดาก็คือมันมีภาวะต่างกันอ<ม>ภาวะต่างกันในรายละเอียดของรูปที่เป็นนามารูปนะอันนี้ยพวกนิรนะมามันนามารูปทั้งนั้นเลยครับมันเป็นภาวะที่ต่างกันว่าไอลักษณะอิทธิภาวะมันไม่แข็งแรงมันไม่เด็ดขาดมันไม่มันไม่รู้จักจบ อะไรพวกนี้เป็นลักษณะอิทธิภาวะทั้งนั้นอเป็นลักษณะยังคือยังมีอาการนะยังมีอาการที่มันไม่จบง่ายๆถ้าปุริสภาวะเป็นภาวะที่เด็ดขาดเป็นภาวะที่แข็งแรงเป็นภาวะที่เด็ดเดินจบสิ้นแม้ที่สุดเป็นภาวะบริบูรณ์ปุริสภาวะนี้เป็นภาวะที่เด็ดขาดจบเลยอรหัตผลเลยกัแล้วกันเป็นเอกเรืเป็นหนึ่งเลยเอกกาตาเรื่อง น่าจะเป็นปริศภาวะภาวะต่างๆเหล่านี้ของนามมาทํานามารูปต่างๆหรือนามมากล้ต่างๆที่ประกอบไปได้วยการกระทบสัมผสัสปากงอชิบลิ่งกายด้วยเนี่คุณจะเรียนรู้ไม่ได้ตลอดคะในลิงคะต่างๆคุณจะรู้นามารูปด้วยอาการลิงคะนี้มีกุเทศการแตกต่างลิงคะนี้คือนั่นแหละเป็นอิทธิลิงเป็นบุญลึงเนี่ยต่างๆเพศสองอย่างที่ว่าเป็นภาวะรูปเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องเลย คุณจะพิจารณาไม่เป็นคุณจะแยกไม่ อ, ออกเลยรู้มันยังเหลืออิทธิภาวะอยู่เมื่อไรอืคุณยังไม่จบเมื่อนั้นครับจนคุณกว่าจะเกิดเป็นปุริสภาวะสมบูรณ์อคุณยิงจะอยู่ในภาวะที่คุณรู้รูปอันนี้เป็นภาวะรูปที่จบแล้วเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกขัตตาที่สมบูรณ์แล้วครับอย่างนี้เป็นต้น ไม่มีภาพไหวแล้วบอไหวแบบๆอยู่นี่คืออิทธิภาวะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นภาวะรูปสองนี่คุณก็จะไปนามมาทำอย่างนี้คุณก็จะเรียนไม่เป็นครับเพราะก็ไม่มีภาวะคุณพูดใพยายามเด็กๆก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามที่ฟังอัตมาพูดอยู่ขณะนี้เนี่ยง่ายไ้ยในการที่จะเข้าใจภาวะรูปที่สองอย่างอีทธีภาวะปุริสภาวะเมื่อ ก, กี้เนี่ยเข้าใจได้ง่ายไหมง่ายไหม ย, ยากจะตาย มันอยู่ภายในอ่ะแล้วก็ต้องสัมผัสเอ ง, เองรู้เ อ, เองเลยนะมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีสรีระไม่มีอะไรมันเป็นอาการนะเพราะฉะนั้นคนจะรู้ภาวะรูปที่ต่อมาจากภาษาทรูปโคจรรูปก็ยากแล้วครับฮัทไยรูปก็เลยเข้าใจผิดเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่เป็นพบเป็นแดนอีกไปอยู่ที่หัวใจหัวศีรษะอ่ะอัตอมาคงจำไม่ผิดนะว่าเขานำมา่หัอ จิตปัญญานี่อาศัยอยู่ที่ห้องที่สี่ใชครับอาตมาผอผ่านเดูเหมือนจะเคยอ่านจากพระอภิธรรมของที่เขามีอาจารย์มาอื่ น, น, นมาเขียนกระจายเป็นเร่มเรืๆๆๆๆๆๆๆๆ่มเรื่มเ่เรืมเขาอาตมาเขาบอกโอ้ยอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไปสอนร้องอย่างนี้จิตวิญญามีตัวตนมีสถานที่อย่างนี้มันไม่มีนะมันจะเกิดสักปันที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นนะฮทายรูปนะเป็ที่ตั้งของใจเป็นที่ตั้งของข้ารู้เกิดขึ้น ไม่มีสัมผัสไม่มีปัจจุบันไม่มีที่ตั้งหรอกรนะชีวิตตรูปรูปที่มันเกิดนะเกิดเป็นชีวิตน่ยเกิดเป็นความเป็นชีวะเนี่ยรหรือมันไม่มีชีวะแล้วเรียกว่ามันตายมันจะต่างกันไม่ลิงค่าของความต่างกันข้ออาการข้อนามมาทำนะตายกับมีชีวะแล้วคุณจะพิจารณายัางไง ร, รูปคือสิ่งที่ถูกรู้เมื่อคุณอ่านนามมาทำของคุณในใจของคุณว่า นี่กี่เลงคุณตายแล้วนะดับแล้วนะไม่มีภาวะไม่มีชีวิตละไม่มชีชีวิตทิศสี่แล้ว ค, คุณจะอ่านรู้ได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอุปาทานยรูปที่จะเกิดมาจากประสาทรูปโคจรรูปออคุณพิจารณารูปอีนยี่สิบนิมเฝ้าเลย ค, คุณไม่มีทางเนี่ยจะเกิดอะไรเลยพเพราะคุณทําตนเองเป็นสี่มหาพูตรูปเท่านั้นคุณทําตัวเป็นอ้าว ก็อาจจะคล้ายนี้อีนะ่ลูกอันนี้มันเด็ดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีวิญญาณชีวะแล้วเนี่ยมันมีแต่จะตายของมันต่อไปมีแต่จะป่วยจะเน่าทิ้งเหมือนกันนั่นแหละคุณก็เหมือนกับมีแต่ดินน้ําไฟลมตัว น, นี้นามธาตุคุณหายไปแล้วอแม้คุณจะเป็นชีวะเหมือนลูกฟักข้าวอันนี้เหมือนกันคุณไม่มีวิญญาณคุณไม่มีธาตุรู้แล้วมันออกไปแล้วครับแม้คุณจะเป็นชีวะคุณก็เหลือแต่มหาโพธรูปอุปาทายรูปคุณไม่มีเลยคุณศึกษาไม่ได้ครับ วันนี้ขยายความตรงนี้ขึ้นมาไม่เคยขยายความให้ชัดครับถ้าผู้ที่ศึกษาอภิธรรมนี่แหละตัวดีครับถ้าศึกษาไม่ถูกต้องอย่างนี้นั้นอัตมาขอยืนยันว่าเรียนรูปไมตายรูปยี่แปดเนี่ยครับก็ได้แต่ท่องพยัญชนะเป็นอัตวาทุปาทานได้แต่ตักกะได้แต่เหตุแต่ผลตลอดการเลยอืตลอดการไม่มีทางจะบรรลุสภาวะจริงหรอกการสภาวะภาษาทรูปก็หายไปแล้วโคจรรูปก็หายไปแล้วอื พอนจะไปรูปภาวารูปภัตรยรูปชีวิตรูปอาหารรูปที่มันเกิดจากสิ่งที่กระทบทั้งตาหูจมูกทิ้งกายแล้วก็เป็นอาหารก็ไปเรียงจนที่รื่ไปที่อาศัยเครื่องอาศัยจะเป็นอาศัยตั้งแต่กาวกริงกะราอาหา ร, รับหรือเป็นอาหารที่จะหยาบทั้งตาหูจมกูกทิ้นกายแล้วก็ไปเกิดเป็นเวทนาจากกายในกายที่เรียกว่าอุป า, าทายารูปแล้วอธิบายแล้ว น้ากายนอกกายแล้วก็เข้าไปต่อเนื่อไปพึง่งกายในกายองค์ประชุมข้างในแล้วกัอธิบายจนกระทั่งมันเป็นสภาวะข้างในแล้วเสร็จแล้วจากไอต้ตัวนั้นแหละมันก็เป็นสังขารของมันอยู่ตรงนั้นเจอแล้วมันก็จะต่อไปเป็นเวทนามันเนื่องกันต่อขึ้นไปหมดเลยเป็นสายไปหมดเลยมันไม่ได้ตัดตอนตัดตอนทิ้งเป็นแหวงแหวงแวงิงนชิ้นชินช้ไม่ใช่กา ร, รศึกษาธรรถถมวิชชาปฏิทักษปัญญาตามีสันตติอยู่ตลอดอืน้าเพราะงั้นเมื่อมันเป็น วาระนี้เป็นสมัยยักษบตอนนี้ขณะนี้นี่เรากล่าวถึงกายกายในกายตอนนี้เรากําลังกล่าวถึงลักษณะของเวทนานะครับก็อันเดียวกันนั่นแหละในเวทนามันเป็นอารมณ์ของนามในกายในกายมันเป็นอารมณ์ของรูปเรียกว่ากายอุปาทายรูปกายในกายเป็นอุปาทายรูปครับพอมาเป็นเวทนาเนี่เป็นภาวะของนาม <picnic S 2> เป็นอาการอารมณ์ที่ถูกรู้ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าไอ้กายในกายที่มันปรุงแต่งกายในกายเป็นสังขารที่อาตมาก็เคยอธิบายว่าพอมันสังขารอยู่ในนั้นมันมีทั้งเวทนาแล้วคุณก็ใช้สัญญาคุณอ่านสังขารนั้นเมื่ออ่านสังขารนั้นเวทนามันก็อยู่ในนั้นคุณก็จะรู้อารมณ์ของกายในกายอ <c oughs> รู้อารมณ์ของกายในกายรู้ความรู้สึกของกายในกายกายในกายที่เป็นอารมณ์นั้นมันถูกรู้ ครับนามธรรมที่เป็นนามารูปปัริเคทญาณะของเราเนี่ยมันเกง่งมันรู้นามารูปเอ็นนามธรรมตัวนั่นแหละนามารูปตัวนั้นแหละมันกําลังถูกเรารู้ในญาณของเรามันกําลังเกิดตุงแต่งเข้ามาเป็นสังขารกายในกายเป็นสังขารเข้ามาแล้วต่อจากการกระทบข้างนอกและเข้ามาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เมื่ออ่านอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นคุณเห็นอารมณ์ทุกข์จากเวทนาทุกขเวทนานั่นแหละคุณกําลังเห็นอริยสัจสี่อืม ที่เรียนกันในอริยสัจสีว่าทุกต้องควรกำหนดรู้ถ้าคุณอ่านตัวนั้นได้เป็นสภาวะจริงเป็นสภาวะแท้ที่คุณเกิดยานรู้ทุกเห็นทุกแล้วด้วยการใช้สัญญากำหนดรู้ควรกำหนดรู้เรียกว่าปรินยยะภาษาบาีพอมาสัญญารู้คุณก็กรรการการทาสัญญาการกาหนดรู้ใช้สัญญาสัญญาของคุณเองนี่เลยเป็นการกำหนดรู้ พอรู้สภาวะของอาการหรืออาจะต้องรู้ได้อกอาการลิงคันนิมิตุเทศครับรู้อาการที่มันเป็นความรู้สึกทุกข์คุณกำลังเห็นทุกข์เซบูรุจ้าตรัดนักหนาวมันรู้ยากจริงจนยิงอนไปในทางใครใเสียปลูกรูกุญแจหลายดอกเจ็ดดอกหรือสิบดอกนี่รู้ยากยิ่งกว่าเอาเส้นผมมาจักเป็นสิบแฉกเจ็ดแสกเจ็ดแฉกหรือสิบแฉก ให้แต่และแฉกเท่ากันท่านเทียบอุปมาอุปไมยว่ารู้ยากยางั้นจริงๆว่าคุณจะอา่า้เห็นเวทนาคุณกำลังทุกขเวทนาอาการเป็นสภาวะแท้ๆเนี่ยการเห็นทุกอริยสัจจึงเป็นอริยสัจข้อทีิหนึ่งที่ทำสำเร็จเพระาะฉะนั้นผู้ใดเห็นอาการมีสสำเร็จนั่นแหละเข้าถึงปรมัตตธรร ม, มเป็นผู้ที่รู้จักจิตเจตสิก ร, รูปเนี่ยเธกำลังกำหนดนามมารูปตัวนี้อยู่เลยและในความเป็นเวทนานั้นเป็นสุกก็ดีเป็นทุกก็ดีคือสังขารกายครับสังขารกายฟังให้ดีหรือ ก, กายสังขารกายสังขารนะตอน่อเนื่องจากตาของจมูกนิ่งกายก็ไปเป็นกายในกายแล้วก็คือสับสนไหม กายในกายนี้แหละมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นมันเป็นสังขารธรรมตรงนั้นใช่มันเข้าไปข้างในแล้วอ่หยุดแต่อยู่ข้างในแล้วข้างในเมื่อกระทบข้างนอกแล้วไปอ่านข้างในครับอ่านข้างในแล้วก็จะรู้มันทั้งเวทนารู้จากสังขารแล้วก็ใช้สัญญาทํางานรู้นี่แหละเป็นปัจจุบันนี่สัญญานี่กําหนดรู้เป็นปัจจุบันถ้าสัญญาจะกําหนดรู้ไม่เป็นปัจจุบันคุณก็ไปรู้อรูอืุรูกที่ไม่มีตาหูจมูกนิ่งกายใช้ หรือไม่มีมหาปุถุรูปกระทบครับคุณก็เอาสัญญาขึ้นมากําหนดรู้ปรูปของคุณข้างในซึ่งมันไม่ใช่รูปแล้วครับมันไม่มีภาษาแล้วอืมมันเป็นธรรมารมแล้วเดี๋ยวมัาเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในใจขอยแยาทรงอยู่ในใจยกตัวอย่างทําความเข้าใจนี่หนึ่งครับพระครูยกตัวอย่างผมเนี่ยอยู่มีคนมาด่าผมนะครับอืพอด่าผมแล้วผมได้ยินคําด่าของเขาอ่าพอได้ยินคําด่าของเขาเนี่ยไอคําด่ามันเข้าไปข้างในเลยเออใช่ ถูกไหมครับพอคำด่าเข้าไปข้างในปุ๊บอาการข้างในของผมเนี่ยผมจับรู้เลยหัวใจผมเต้นแรงขึ้นตึ๊กๆึ๊กไอ้นี่เป็นเลื่อนเลไม่ได้รู้ที่เวทนาเลยไม่จับพจนใจเลยไม่ไรูปเลยนะคือกำลังจะบรรยายบรรยายว่าความรู้สึกมันเกิดอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดอาการอึ่งอออย่างเงี้ยครับคือความรู้สึกว่ามันเริ่มข้างมันมันมันจะมีข้างสรีระที่เปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวไอ้การเคลื่อนไหวต่างๆนี่เรียกว่าวิญญัตรรูปอื มีการเคลื่อนไหวที่มันไหวอย่างนั้นอย่างนี้ใจมันสั่นมันอะไรก็อนสถานปัญาเป็นหลักการของงานครับอหมนี่คือเรียกว่าวิญญัตรรูปอกายวินญัตรของคุมของการเคลื่อนไหวของรู้นมให้รู้ความหมายว่าตอนนี้ใจเรากำลังสั่นเลยนะแต่มันไม่เป็นไม่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะมันเป็นอาการอมันกําลังเคลื่อนไหวครับนเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นกายวิญยัตรหรือตอนนี้มันอยากด่าแล้วหรือว่าจีวิญญัตรแล้วครับ จะด่าด้วยวาจาเลย อ, อะไรเงี้เป็นต้น่นี่เรียกว่าวิญญาตวิญญาต ร, รูปสองมันมีทั้งกายวิญญาตรหรือว่าจีวิญญาตมันเกิด อ, อมนโนสังเกตในเชิงลบขึ้นมาทันทีเลยเพราะอาการจะโตอตอบจะเกิดทันทีเลยแต่ในขณะที่ที่เราเนี่ยเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ่านตัวเองออกมีความรู้สึกรู้ว่ากําลังจะกําลังจะกอันนี้คือการการใช้ตาทิพย์ภายในมองดูตัวเองมองเห็นกาย เห็นเห็นสิ่งที่มันเป็นไปภายในที่เป็นปากฏิการไอ อ, อย่างเงี้ที่ปะเกียติทัพอคูอธิบายผมผมยกตัว อ, อ, อย่างรูปธรรมอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วก็จะรู้ไปทั้งหมดเลยแป่มีการรูปห้าคือรูปที่มีอาการที่มันได้ถูกเปลี่ยนถูกปรับอถูกดัดถูกแปลงครับให้เป็นไปตามที่เราสัญญากําหนดหมายและก็ฝึกมณสิกการหรือมณสิกโรติทำใจในใจของเราจนกระทั่ง มันทําได้จนกระทั่งกลายเป็นกิเลสหนากิเลสแรงก็ทําให้เบาลงเป็นเป็นมาทุตาครับกิเลสที่มันไม่สงบมันไม่ดูดีมันไม่สมบูรณ์ได้สัรว์ได้ส่วนเรียกว่ามันไม่มีมุทุตาจนเป็นมุทุตาอืมนี่แหละ ว, วิกาล ร, รูปคือปรับปุงมาจนกระทั่งมาเป็นกรรมยตตาอืมคือเป็นกรรมหรือเป็นเป็นกิริากรรมคือในบทบาทของมันของจิตของเราเนี่ย จนมันเป็นกรรมมัญญตาก็คือกรรมมัญญานี่แหละเป็นการงานอันเหมาะสมแก่การงานการเป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมที่เหมาะสมคร so. ับที่จะเป็นกรรมที่ไปทำขับข้างนอกจะไปทำกับกายจะไปทรรํากับวจีจะไปทําอาชีพเป็นกรรมมัญญาการกระทําของอาชีพก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีมันดีหมดครับเรียกว่ากรรมัญญตาเรื่องนี้จะกรรมนิยะควรแก่การงานในขณะปฏิบัติใน กรรมนยานีใช้ ก, ก, ก, กับขนะกําลังปฏิบัติฌานครับพอปฏิบัติฌานได้แล้วมันก็จะสูงสังสงคือเป็นกรรมมัญตาจนกระทั่งกลายเป็นกายกรรมมัญตาหรือกายปาคุญยตาครับกายปาคุญยะตาอธิบายมาตั้งหลายทีแล้วกายะตาคนความคล่องแคล่วของนามกลายคำชานานความ ปรับตัวได้ดีขึ้นเป็นลัหุทาตเป็นมุทุตาไปเป็นมุทุตาเป็นมุทุตาเป็นลักุตนาะและก็เป็นกรรมัญญานะซึ่งในอาการเคลื่อนไหวเหล่านี้แหะเรียกว่าวิญญาตรูปอีกสองในการเคลื่อนไหวทางกายวิญญาตวจีวิญญา ต, ญญาตเนี่ยถึงรูปอีกสองนี่คือวิการรูปอีกห่าออย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นนา ม, มาทําเหล่านี้นี่ถ้าเผื่อว่า ไม่มีอุปาทายรูปยี่บสี่ที่ที่เป็ดตา บ, บอดหูหนวกมันมั น, มนแล้วก็จะบุกไมู่้อจะบอกว่าจะบุกอะไรจะบุกไม่มีประสาทครับคือปิดถาวรห้าแล้วเนี่ยครับแล้วมันจะไปรู้ไอ้พวกนี้ได้ยังไงไอ้ตัวนั้นมันจะนําพาให้เกิดอาการอืแล้วนี่คุณก็มาอยู่แต่จิตนี้จีแล้วคุณจะไปมีอะไรไมาอ่านอ่าวิการรูปอะไรจะไปอ่านไอ้ไอ้การเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของไจี บินยาตูปคุณจะเอาอะไรไปอ่านคุณไม่มีแล้วนี่คุณดับหลับตาอยู่แในจิตครับผมเลยนึกนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่ครูบาอาจารย์มักจะยกมาเตือนอยู่เสมอครับที่มีมีมนักบวชสตรีนะครับที่บอกเข้าไปอยู่ในป่า <c oughs> นะครับบอกว่าไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่แบบเหมือนสันโดษแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้ตัวเองสําเร็จละ <c oughs> พอบอกตัวเองสําเร็จเรียบร้อยก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ว่าฉันได้สำเร็จและวครูบาอาจารย์ <c oughs> แล้วครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออที่เธอหายไปเนี่ยคนหลายคนเขาบอกว่าเธอเนี่ยไปเป็นนางโสพินีนะพอพูดอย่างงี้ปุ๊บนักวดผู้นั้นของขึ้นเลยครับออผมเลยนึกถึงนิทานเรื่องนี้อยู่เสมอเลยพ่อครูเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการชี้ว่าอภัยนะอาตมาค้อนแซงครับอาตมาอธิบายไปอย่างนี้นะผู้ที่เรียนนะพี่ทำมาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแล้วจะเข้าใจอย่างที่อาตมาถ้าผู้ใดฟังอาตมาเข้าใจดีเลยนี่นะครับ แล้วเห็นว่าโอ้ต่างจากที่เขาเรียนมาออืแล้วเขาก็เข้าใจว่าโม่มันต้องเกิดจากผัสสะแล้วถึงมีอุปาทายรูปยี่สิบสี่ครับถ้าไม่เกิดจากผัสสะไม่มีพวกนี้เลยเรียนรู้อุปาทายรูปยีิบสี่ไม่ได้อัตมาว่าพวกที่เขาเรียนอภิธรรมเพวกนี้มาเนี่ยคนที่ตั้งใจดีจะขอบคุณเลยแต่ถ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าที่เขาเรียนมาเนี่ยโอ้สอนเข้ามาครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเข้ามาเท่าไหร่แล้วครับไ ม, มไม่มีปรตโตโคสานเนี่ย ขึ้นอย่างที่ผู้หญิงคนที่บอกบรรลุแล้วมาครับของขึ้นอย่างนั้ น, <อ>นแนเลยแบบนั้นเลยครับเพ <นะ S 2> ราะงั้นไอ้เรื่องที่จะไปเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในลักษณะรูปอุปจจยะสันตติชรตาอนิจจตาต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็สันตติแล้วมันก็เสื่อมชรตาแล้วอนิจจตาไม่เที่ยงรอกครับลักษณะรูปอีกสีเนี่ยนะ คุณจะไม่เห็นเลยในไตรลักษ์พวกนี้อไตรลักษ์ของลักษณะรูปสี่เรียกว่าสิ่งที่มันก็ค่อยๆดับบิก่อตัวขึ้นมาเป็นต ก, กะเป็นวิต ก, กะอะไรพวกนี้แล้วก็มีสันตติต่อเนื่องอยู่มันจะต้องมีสิ่งที่ให้เห็นอยู่ต่อเนื่องไม่ขาดสายาเป็นอิทัพปัจจยตาทั้งนั้นมีสันตติอยู่ทั้งนั้นแล้วก็จะรู้ว่ามันเสื่อมไปชะตาและจะรู้ว่าอจะชัดเจนในเรื่องอันนีจะตา ไม่เที่ยงเลยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่เงี้ยนั่คนคุณถึงจะชัดเจนในลักษณะรูปสี่นี่คือสิ่งที่ถูกรู้ได้ว่ารูปคุณเห็นจริงของจริงที่เป็นนา ม, มารูปอย่างนี้นะคุณถึงจะเรียนมาคุณรู้รูปนามยีม่สิบแปดครับเพราะคุณไปตัดมหาพุทธ ร, รูปสี่ทิ้งเท่านั้นเองอุ ป, ปาทายรูปของคุณเรียนไม่ได้ขอยืนยันครเพราะมัน <laughs> ไม่ครบไม่สมบูรณ อ่าสภานันไม่เกิดมันก็จะไปเห็นได้อย่างงี้ไม่มีสภานไม่มีอายตนะไม่มีอะไ ร, รอ่าไม่มีมีแต่มโนมานายตนะกับธรรมายตนะเป็นอายตนะที่ไม่ต้องมีผัสสะครั บ, ค, รบคุณก็ได้แต่อารูปที่กําหนดรู้ได้โดยสัญญาอืเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสัญญาขคุณจู้นิดเดียวที่กาหนดรู้แค่นี้เรียนรู้เท่านี้เลยอ่าก็เลยก็เลยเหมือนว่าไปติดเสษกับ ความความว่างๆเงียบๆเย็นๆลึกๆนิ่งๆอยู่ตรงนั้นไปติดเสพอยู่กับมันอย่างนั้นอ่าถือแม้ว่าไม่มาไม่เสพกม็มันก็มีทุกข์ครับทุกข์ตรงก็มีอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นทุกข์ที่เป็น อ, อริยศาสตร์ที่พอ ก, กี้พอ่อครูอธิบายไม่รู้เลยม่าเรียนรู้จากหยากรางละเอียดแต่อย่างชัดเจนไม่ไม่รู้เรียกว่าไปมัวเรียนแต่หางช้างออกจากป่วยกาอืโดยที่ไม่เริ่มต้นถัดรู้ว่าเอาช้างตัวใหญ่ๆห่หยาบหนี่ออกจาก พวยกาให้ได้ hmm. นะเอาตัวชัก เ, เก็บพวยกาก่อนให้ได้แล้วคุณก็ค่อยคือพวยกาที่ว่าเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะเปรียบไงเพรา ะ, ะโบราณอาจารย์อาตมาก็ผ่าเอาไ อ, า อ, าอา้คำบังเพยนี้มาใช้ประกอบการอธิบายทํามเลยนะพวยกาเี่มันยืดยืดจุ่นจุนได้นะ <c oughs> ความเป็นจิตวิญญาณด้วยความเป็นภูมิปัญญานี่ก็มันคือมันพวยกาที่ยืดได้ยุ่นได้ครับเพราะที่ยืดได้หนึ่งยืดจุ่นได้ใหญ่ ป่วปากาในธรรมดาจะเอาอะไรออกจากป่วยกาไม่ได้เลยครับจเยาอะไรออกจากป่วย ก, กาไม่ได้เลยครับตามธรรมดาเนี่ยทีนี้คุณสามารถที่ยืดจนกระทั่งเอาสัด ส, ส่วนของแต่ละของยาของตัวช้าง <autoc> ออกก่อนไปได้เรื่อยๆตัวยาที่สุดออกไปได้คุณก็เก่งแล้วมันก็จะยืดหยุ่นอย่างนั้นแหละไอ้ป่วยกาเนี่ยจนกระทั่งคุณทําได้เก่งคุณจะยืดจุนได้เก่งยืดจุนได้เก่งก็เกิดสภาวะของ มันจะเกิดมุทุพุทธธาตุมุทุพูทธธาตุนะมุทุภูตานี่แหะมุทุมุทุตานี่แหละมุทุพุทธธาตุเนี่ยความที่ถ้าไปแปลว่าความอ่อนครับอ่อนสลวยอ่อนอะไรสละสลวยอะไรนี่มุทุพุตามุทุตาเนี่ยมันจะไวไวทั้งการที่ปรับตัวยืดหยุ่นไวทั้งประสาทปัญญามุทุมุทุตานี่มุทุภูเตมกรมนิเยนี่หรือว่า อยู่ในเป็นมุทุธาตที่สมบูรณ์แล้วในอุเบกขานี่มันก็จะมีประโยตารประโยชนาตามุทุกรร ม, มัญญาประพัสราเนี่ยมุทุธาตตัวนี้แหละมันจะเป็นมุทุตาเนี่ยมันจะปรับตัวได้อย่างไวอย่างเก่งอย่างเรียบร้อยเลยในวิการะรูป ค, รคือการปรับแเปลี่ยนแปลงไปวิการะรูปนี่คืออาการที่มันถูกจัดแจงเปลี่ยนแปลงไปให้ได้เรื่อยๆเก่ง เพราะฉะนั้นความเป็นมุทุกุตธาตุเหมือนกับความยึดอยู่ของผู้อกาที่อาตมากําลังอธิบายเนี่ยครับมันจะเป็นมุทุภูเตมันจะเป็นในกกงในกรรมต่างๆในกรรมนิเยหรือว่ากรรมมัญญาที่ถึงที่สุดมันจะเกิดอาการและเกิดสภาวะมิการรูปได้อย่างนั้นจริงๆเลยครับเนีเพราะงะั้นการศึกษาที่มันไม่ไม่ถูกมาเนี่ย ไปนั่งหลับตามแล้วก็ตัดตาหูจมูกริ้งกายทิ้งไม่เชื่อมต่อกับมหาพูตารูป ม, มันมีผัดสักเนี่ยหมดเลยรูปที่ยี่ทั้งยี่สิบแปดพอเข้าใจไหม ร, รูปยี่สิบแปดนี่เจ๊งบงเลยครับกายตัดทิ้งมหาภุตารูปตัดทิ้งก็เหมือนกับตัดไอ้ลูกอันี้ไปทิ้งไปอยูย่ร่างกายก็ทิ้งไปให้มันเน่ากับปูปลาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยยิ่งปูปาทาลรูปยี่บสี่ หมดท่าเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรของมันเลยครับได้แต่เดาได้แต่อะไรต่ อ, อะไรไปทําตักกะไปเท่านั้นเองไม่เกิดสภาว่าทำจริงเพราะนามมาทําทั้งนั้นเลยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างนะไม่มีตัวตนแต่อ่านได้โดยอาการมีคันนิมิตอุเทศเป็นนามารูปอ่านจากนามมารูปต่างๆนั้นได้โดยอาการมีคันนิมิตอุเทศ อ่าประเด็นที่สําคัญที่สุดกับพูดมาขนาดนี้นี่นะเช็คผลหน่อยซิ <c oughs> มันลึกซึ้งละเอียดมากนะวันนี้เนี่ยอธิบายอะไรแต่ออกไปเนี่ยเช็คหน่อยนะเอา้าทั้งสมณะด้วยเอ่ะทั้งศิขมะศด้วยาถามนะที่อธิบายมานี้นี่นะได้เข้าใจเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ได้เรียนมาไหมว่าเรื่องรูปนามนามรูปแล้วก็เข้าไปถึงอุปาทายรูป ก็ขยายความให้ฟังเนี่ยได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาดีขึ้นพอสมควรบ้างไหมหรือว่าฟังแล้วทุกคนเอาถามอันนี้ก่อนทุกคนฟังแล้วเอายกมือนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยยกมือคนที่ไม่รู้เรื่องเลยถามแล้วไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยที่อธิบายไปวันนี้เมื่อกี้เนี่ ย, อ, นนยอธิบายนามลูกเจรียดเอาใครบ้างไม่ไม่รู้เรื่องเลยยกมืออย่าอายไม่ต้องอาย โอ้โหทางนั้นรู้ทางนั้นเลยเลยไม่รู้เรื่องยู่ไม่กี่คนเลยเนี่ยเก่งเก่งเก่งไงต่ายเก่งขึ้นเลยอาตมาอธิบายเก่งนะถือว่าอาจมาอธิบายเก่งนะเนี่ยถ้ารู้เรื่องอ่ะแสดงว่าอาตมาอธิบายเก่งทีเดียวอ่ะโอ้โหไม่เชื่อแบบคุณจะจีนเนสขนาดไม่เชื่อนะไม่ใช่ดูถูกนะมันมันยากนะไม่ใช่ง่ายนะ อ้าวเราก็คงงงงงอาวทำงี้ก็ได้ใครงงบ้างยกมือใครงงอ้าเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยใครงงบ้างงงงงวยๆผู้ใหญ่ไม่ยกมือไม่งงแสดงว่ารู้เอาใครเอางี้พอรู้เรื่องใครพอรู้เรื่องอยกมือมีบางคนมั่นใจเลยยกเลยเข้าท่าไม่สู์เปล่าเลยใครพอรู้เรื่องใครรู้เรื่องดีจะมีอีกนีนึงนะ ใครรู้เรื่องดีอ๋อมีกล้าอยองอยู่คนเดียวที่ขมา่า <c oughs> ใครรู้เรื่องดีมากไม่มีไม่มีใครยกเลยเดี๋ยวดีมีอยู่เรื่องมีคนเดียวอ่าพอรู้เรื่องมีอยู่พอได้พอได้ไอ้นอก น, นั้นไม่รู้งงงงวยกมองไ ม, ง ม, งมง่ยกเอ๊ะจะโชคดีไม่ดีไม่รู้เรื่องเลยสั้งอย่างเลยถามก็ยั ง, ยงไม่รู้เลยว่าถามอะไรย <c oughs> มันยากอะทมารู้ว่าเรื่องนี้ยากครับ นี่อาตมาอธิบายเรื่องรูปนามวันนี้อธิบายเรื่องรูปนามวันนี้ผมปิติเป็นอนิสงส์เพราะเข้าใจอย่างดีได้ฟังของใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับ<ม>นี่เป็นไม่ใช่ SMS iPad A A i i สไอแเสสซ็นทรงสงวงเอสเสเ็เอ็นอสมาจากทาง iPad ก <c oughs> <c oughs> ็ได้ข้อความสั้น น, นี่คือเรื่องของอคุณคุณแปดเจ็ดศูนย์ท่าเคยท้าท่าจะมาว่าลองอธิบายมาดูซิรูปยี่แปดได้ฟังไปแล้วเป็นยังไงอะจะรู้เรื่องดีหรืองงงวยหรือเห็นว่าบอลทเฮ้ยดาวทรงพูด ป, ปริยัตปริยัติที่ไหนคุณเรียนกันมานะปริยัติไอทิศอัตมาอธิบายไปมี่ทิศอธิบายอัตม า, อาขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เอามาจากตำราเล่มไหนอ เขยืนยันว่าไม่อธิบายมาจากตำราไหนเอาสภาวะมาอธิบายทั้งนั้นเลยจากคําว่าที่คุณมาแจกไปยี่สิบสี่รูปนี่แหละแต่ภาษาทารูปโคจรรูปภาวะรูปหัทธยรูปชีวิตรูปอาหารรูปประจิตเหตุรูปวิญญาณรูปวิกาลรูปลักษณะรูปพวกนี้นี่แหละครับรวมแล้วแจกออกไปทั้งอย่างสองอย่างบ้างสามอย่างบ้างสาไม่มีสี่อย่างบ้างห้าอย่างบ้างนี่แหละรวมแล้วมันรูปไปยี่บสี่เนรับ เมื่อไม่มีภรรษะขอยืนยันอภูตารูปว่ไม่ใช่อุปาทายรูปคุณไม่ได้ศึกษาเลยอมเมื่อไม่ได้ศึกษาเลยหรือศึกษาตรกกะเท่านั้นไม่เข้าสภาวะแน่นอนเพราะสภาวะอาการต่างๆอาการลิงคนิมิตรอุเทศต่างๆในนามรูปพวกนี้คุณจะต้องมีอุปาทายรูปนี้เป็นสภาวะที่เรียนรู้ไม่งั้นคุณไม่มีการได้รู้จักนามรูปนี้แน่นอนครับนะ อ่านี่วันนี้ก็อธิบายเรื่องนามรูปขยายความขึ้นมาอีกให้เข้าใจให้ชัดเจนนะให้ให้ให้รู้กันผมผมมีประเด็นค้างนิดหนึ่งครับพระครณครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปักกิ่ที่พระคุณ อธิบายในเรื่องของเพศนะครับรูปที่เป็นเพศนะครับคื อ, อผมผมมองอย่างนี้อเผอิญว่าผมมานั่งนึกถึงว่าภาษามคตในภาษาบาลีนะครับบันมีการแบ่งเพศของภาษาถูกต้องใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็กึ่งเก่งเพศนะครับเป็นนักปวงสการิณใช่ไหมครั บ, บผมก็เลยมามาดูว่าเอ๊ะทำไมภาวะรูปเนี่ยออมาแบ่งเป็นแค่สองเพศก็คือเป็นเพศหญิงกับเพศชายใช่ไหมครับ แต่มันไม่มีเพศเป็นกึ่งๆแต่ภาษามันมีแบบกึ่งๆึ่งกึ่งกนี่คือความยังไม่รู้อะไรความยังไม่รู้อะไรอ๋อถ้ามันรู้ชัดเจนก็สองเพศจบไงจบมันจบอยู่ที่ปริสภาวะเป็นเป็นเป็นวิยารูปที่มันเป็นปริสภาวะเป็นสองเป็นเป็นสองอย่างไม่ขอไปไม่ใช่วิญยารูปเป็นเป็น ที่แยเป็นสองอย่างคือภาวะรูปสองอย่างเนี่ยเป็นภาวะรูปสองอย่างครับปริสภาวะเนี่ยครับมันเป็นภาวะสองอย่างคืออย่างคือเรื่องกลางๆมันไม่ไม่ใช่มันกระเทยอืไม่ได้ทีนี้มันต้องสองอย่างไม่อิทธิ์ก็ปุริสภาวะครับเมื่อเป็นปุริสภาวะมันก็คือตัวจบอมันก็คือตัวสมบูรณ์นะเป็นคือผมก็เลยนึกถึงหยินหยางนะครับอมันก็เหมือนเป็นหยินกับหยางอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าไปเทียบกับในในพวกเต่าอย่างเงี้ยครับโอ้โหแต่ภาวะนสไม่ไม่รู้ไม่ได้ไปเทียบดูเป็นสภาวะสองอย่างนะนท่านเรียกว่าอิตธินิีหรือปุริสินปริสินปริสินทีปริสินสีปุริสานั่นแหละปุริสะน่ะอิทธิอิทธิีนั่นแหละอิทธินิีหรือปริสินปริสินสีเป็นลักษณะหญิงลักษณะชายที่ชัดเจน แ บ, บ้งเป็สองเพศนะอืมเท่านั้นเองเพราะงั้นภาวะสองอย่างนี้คุณจบไม่ได้มันยังเหลืออิทธิภาวะอยู่นิดๆ น, น, น้อยๆ อ, อ, อย่างไรก็ตามแต่ยังไม่จบอืยังไม่จบครับจะต้องนิ่งสนิทเอกคตานี้จะต้อง <c oughs> สมบูรณ์สุดเป็นปุริสภาวะเด็ดเดียวหนึ่งเดียวอืม่ี่เป็นต้นมันจะรู้ได้โดยสภาวะภายในสภาวะนามธรรมาเลยเช่ น, เ, น, นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองว่าอมันอื้และมันตัดสุดแล้ว เอาอธิบา ย, ย่างนี้เลยเมื่อตาคุณกระทบรูปรอารักากระทบรูปนี่มันพูดและอธิบายหยาบได้แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเอาเสียงอย่างที่คุณพูดดีสเสียงนี่นะกระทบเสียงคนพูดเสียงมาเสียงกระทบเข้าไปที่หูอย่างที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยอพอได้ยินเสียงนี่แล้วกระทบเมื่อได้ยินเสียงกระทบเสร็จ จิตของคุณเนี่ยเขาก็เขาเอาเขาว่ามานะั่นเขาว่าคุณเหมือนอยากก่างกทิวภูหญิงเมื่อกี้นี่เขายกตัวอยาว่างครับนะถูกดาาก่าว่างั้นเธออืถูกว่างั้นเธอะะครับนอย่างที่คุณว่านะี่ยโอ้เขาว่าคุณไปเป็นไปสตุภีมานะอือาการเรามีอิทธิอิทธินิสีเกิดขึ้นไหมยังเหลืออยู่ไหม มันไหวไหมหรือว่ามันนิ่งเลยปุริสินสีเกิดนิ่งเลยไม่ไหวเลยไม่กระดิกกระดิกเลยครับนะไม่มีกระดิกแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏครับมันปรากฏความนิ่งหนึ่งเด็ดเดียวศูนย์บจบอือย่างนี้คือไม่มีอาการอิทธิฤทธิ์เหลือเลยซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมจะถามต่ออีกประเด็นคือเมื่อกี้มันมีคําถาม ฝังฝังแังฝแฝงอยู่ในใจหลายผมผมโนตตรงนี้ไว้ครับคือผมเนี่ยชอบจะสอนลูกผมเสมอครับว่าโกหกอะไรโกหกได้แต่อย่าโกหกใจตนเองเออดีเพราะฉะนั้นไออาการที่ตัวเราเองรู้เนี่ยถ้าามันเป็นสภาวะที่เรารู้ว่าเหมือนก่าครูพูดอยู่เสมอว่าพ่อครูไม่ได้โกรธนะไอจุดเล็กที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้โกรธนะเรารู้อาการตัวเองใช่ครับดีรูปภาวะรูปของเราเองครับว่าภาวะของอาตมามีความไหว อ่าไว้นี pues, này, ่มันมีอ um, ีกสภาวะวินย right. no, okay. ัตรรูปครับไว้มันออกมาเป็นองค์ประชุมแล้วนะมวินยัตรรูปเป็นกายครับกายวิญยัตในองค์ประชุมครับองค์ประชุมเนี่ยมัมีหลากหลายแล้วนะไม่ใช่เดียวนะครับถ้าเป็นปุริสินสีนี่เดียวนะเดียวอ๋อทีนี้มาเกิดองค์ประชุมครับองค์ประชุมมีสองอย่างขึ้นไปแล้วมีสองขึ้นไปแล้วเคลื่อนไหวแล้วเพรว่ากายวิญยัตหรือเป็นวัีวินญัตยิ่งวัตถีวินญัตแล้วก็โอ้โหจะออกมาทั้ง ข้างนอกแล้วัจจีก็ดีครับกายก็ดีครับเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมข้างนอกเนี่ยเกิดมาจากวัจีสังขารข้างในทั้งสิ <from> ้นครับที่พ่อครูเคยอธิบายมานานมากแล้วในในสังกัปปะใเครับมันจะเกิดที่ต้นทางนั้นก่อนครับเพราะฉะนั้นเราจัดการตรงนั้นแหละว่ามณสิกกาหรือมณสิกโรติก็คือจัดการกับองค์เจ็ดของสังกัปปะเรานี่แหละตั้งแต่ตั้งกรรมวิธากสังกัปปะเนี่ย โดยเป็นดับเหตุที่มันดำริเกิดขึ้นมาที่มันเป็นกรรมมวิตกหรือกามมาสังกปะหรือเป็นพยาป่าถ้าสังกปะครับให้มันดับไปให้มันหมดไปแม้ที่สุดถึงขั้นวิหะวิหิงสาสังกปะเลยครับมันไม่มีแล้วสังขานมันก็ปรุงแต่งไม่มียังไม่ออกมาเป็นกรรมอยังไม่ออกมาเป็นไมจีกรรมไม่ออกมาเป็นกายกรรมร ม, ไมัไม่กรรมมันตามมัเป็นอาชีวะก็ตามมันก็อยู่ในจิต มันเป็นวิจีสังขารบอกแล้วว่าวจีสังขานนี่คือจิตแต่สังขารับนะครับวิจีสังขานนี่จะเรียกว่าสังขารทั้งหมดก็ได้ครับกายสังขารวิจีสังขารจิตสังขานเนี่ยเป็นสังขารภายในทั้งหมดเลยครับกายสังขารคือองประชุมวิจีสังขานก็คือมันจะออกมาเป็นภาษาแล้ยนะครับมันเป็นภาษาแล้วนะก็คืออาการจิตทั้งนั้นเลยจิตสังขารทั้งนั้นเลยอืคือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ย กายกรรมวัจจกรรมมโนกรรมก็คือสภาวะถ้าตีความหมายคำว่ากายอย่างที่พ่อครูพูดนี่ก็คือสภาวะภายในอยู่แล้ว เ, เพราะาว่าจริงๆแล้วตัวก่อกอกุศลอกุศลละก ร, รมมันเป็นสภาวะภายในถูกไหมครับ เป็นกายแลยวิญญา ณ, าญญาณซึ่งไอ้ตัวนั้นแหละมันเป็นกุศลเป็นบาปบุญที่แท้จริงเป็นบุญยะาจาับ ก, กระบวนการะอะไรมันอยู่ภายในที่แท้จริงไม่ใช่แอคชั่นที่เราออกมาด้วยด้วยการมองเห็ น, นการาากรัทแต่มันมาจากข้างใ น, นใปรมภูมิเหตุมันอยู่ตรงนั้น ใ, ในกายวิญญาณรวมประุมของทารู้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการเราเข้าใจในกายเนี่ยปกยิที่ผมถึงเชื่อมโยงมาต่อว่าคือเราก็จะอ่านตัวเราเองออกจะเห็นรู้ถึงกายกรรมที่แท้จริงกายในความหมายที่อธิบายอยู่นี้นะครับทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกระบวนการความเบ็ดเสร็จมันอยู่ภายในอยู่<ช>แล้ ว, ลวถูกไหมครับเจตนาเอ่อปรมิมฆปรเมฆนี่แหละคือปรมิมฆถูกไหมครับเอ่อเอ่อเจตนาที่แท้จริงกระบวนการของตา เกิดเจตนาที่แท้จริงมันก็คืออยู่จากกระบวนการทั้งหมดตรงนี้อยู่ภายในซึ่งถ้าเราเองหันอมองมันเห็นหรืออ่านมันออกแล้วก็รับรู้อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยเท่ากับเหมือนว่าเราเนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะที่ชัดเจนแล้วเราบอกเราไม่ได้นิ่งแล้วไม่ได้โกหกตัวเองแล้วเราก็เป็นความชัดเจนอย่างแท้จริงอานิยานอย่างรู้เลยว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้เรามีชวนาจิต อ, ม, อมีจิตของเราเป็นมุทุ มุทุตานี่แหละมุทุตาที่ไปอยู่ในลักษณะไม่ใช่ลักณะอยู่อยู่ในวิวิการะระลุวิการะระลุนี่แหละมุทุตานี่แหละจิตของเราจะไวเร็วมีชวันจิตและจิตของเราก็ทําได้อย่างที่เรียกว่าถ้ามันยังอยู่ในภาวะปฏิบัติมันก็จะรู้ปั๊บเปลี่ยนแปลงปั๊บเป็นอาการของการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงของวิการรูปนี่แหละครับการตอบเต็ดเร็วมากเลยมุทุเนี่ย เป็นวิการรูปที่เป็นมุทุตตาไวคับมุทุตตาไวเร็วเป็นชาวนาจิตแล้วตัวจิตวิญญาณตัวปัญญาก็เป็นชาวนาจิตเป็นจิตที่เร็วอ่านทันทีเลยอ่านได้แล้วจิตของเราก็เป็นได้ถ้ามันจะแวบมันจะมีไหวมีเคลื่อนออเราก็จะรู้จากอาการที่มันเกิดไหวเกิดเคลื่อนนั่นของเราเป็นวิญญาตรูปของเราขึ้นมาแล้วหรือมันเป็นลักษณะของอ อิอทธินรีแล้วเราก็รู้คนมันเป็นอิทถินรีแล้วแต่ถ้าผู้ใดที่สามารถทําได้เด็ดขาดแล้วว่าเป็นปุริศินรียครับเป็นหนึ่งเดียวเอกคตาไม่มีวันไว้ไม่มีขึ้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยครับคุณก็จะอ่านออกเลยกระทบสัมผัสอย่างไรอย่างไรอย่างใดก็เป็นกายะปัสสธิอืม ก็คือ น, นอักหาผัาดสะตั้งนักขณะนั้นไม่มีไหวติงเล ย, ม, เลยมีความชัดเจนปื้มไม่มีอารมณ์ไม่ได้มีความสุกขก็คือเท่ากับว่าอุอปทานไม่สามารถกระโดดเข้ามาจับได้ น, นักขณะที่เราผัดสะถูกไหมครับใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเป็ น, ปนไปที่เรศึกษาก็คือพอพลันสัพพัสปับ๊บปั๊บอุปทานมันมาเร็วมันมาเร็วกว่าไอสติที่มันมีอยู่ ใช่ไหมครับมันก็เลยมามาก่อนใช่ไหมครับแต่ปรุงเลยครับปรุงเลยแต่ถ้าเราถ้าเราเห็นเห็นแลํามองออกก่อนที่มันจะเข้ามาจับเราไม่ไหวตามมันไม่ไม่ฟิ้งหรือไม่วิวไม่ได้เราก็ฆ่าเราท่าอุปทานตัวนั้นเพราะมันคล้ายๆเหมือนเรามาเป็นเกาะป้องปัญญามัมาก่อนชานมันมาก่อนเป็นเกาะป้องกันไม่ให้อุปทานมันมาจับ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันยังไหวอยู่ก็คือวิอุปทานมามาจับก่อนถูกไหมครับก็าทำได้ท่านดีเราทำได้แต่เราก็มันปฏิบัติอยู่ครับแต่แต่คนที่สําเร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีไม่เดียวเลยอจิตเป็นปุริสภาวะกับปุริสภาวะกายปัิสัทธิมันก็เป็นกายปัิสัทธิมันไม่ไม่ต้องมีอะไรที่จะเกิดเลยครับมันก็นิ่งสงบไปของมันเลยหรือคุณจะยืดหยุน องคประชุมของจิตคุณจะยืดหยุ่นคุณจะอนุโลมปฏิโลมไปสัจจานุโลมมิจยานคุณจะปรุงกันเข้าอะไรต่างนเข้าไปไอตัวอั ป, ปนาพย ป, ปนาเจตโซเฟโรไอตัวที่จิตมัน่นตั้งมั่นแน่วแน่แ น, แ น, แ น, แน่นคงปักมั่นเล ย, เนยมันก็จะเป็นแกนอย่างนั้นนะ ค, คุณจะปรุงยังไงมันก็เหมือนกับขัขบวกคั้วลบขั้วขั้วบวกนี่จะเป็นแกนให้แก่โควลบมันวิ่งรอบ พลังงานวิ่งรองบวิ่งเร็วเท่าไรทั้งยิ่งแกนแน่นเท่าไ ร, ค, รความวิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นเป็นชวนาจิตที่เร็วแรงสามารถนำรวบมปฏิลมไปได้แก่คนอื่นได้ทํางานข้างนอกเป็นการทํางานโดยที่เรียกว่าความแข็งแรงของอุเบกขาท่าเรียกว่าสังขารุปเปขาครับสังขารุปเปกขามันก็จะยิ่งเจริญได้อย่างมากมายเลยเป็นการเจริญอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความเป็นจริงที่คุณได้ฝึกได้ปลือได้สะสมได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆ น, นี่คือคุณสมบัติของทฤษฎีพระพุทธเจา้าอืเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนจะต้องศึกษาอย่างของจริงอย่างมีจริงเป็นจริงครับเพราะงั้นในภาษาบาลีที่ชื่อที่กล่าวเป็นพยัญชนะต่างๆพวกนี้มันมีสภาว่ารองรับทั้งสิ้นเับมันมีของจริงทั้งนั้นอืบันคุณจะ รู้แจ้งเห็นจริงเพราะรู้พ ย, ยัญชนะถ้าเข้าใจภาษาความหมายของพ ย, ยัญชนะแล้วอย่างอาตมาเนี่ยถ้าอาตมาดได้เรียนภาษาบาลีอีกเลยนะโอ้โหอาตมาจะปลออย่างกนี้เลยครับนี่แม่อาตมาไม่ได้เรียนบาลีชาตินี้ครับแต่ก็พยายามมาเข้าใจภาษาบาลีตามที่ท่านมีตัวหนังสือภาษาบาลีมาบ้างครับก็พอที่จะคำคำได้ไปหาพระเนี่ภาวะที่อาตมาจะไปอ่านตามสภาวะ เพราะฉะนั้นที่ท่านแปลไปจากพุทธนานุกรมมาไว้ก็เป็นไกดให้อัตมาได้นำทางไปสู่สภาวะนั้นๆๆๆได้อย่างดีท่านก็แปลบางทีท่านก็แปลไม่รู้กี่ความหมายมอัตมาก็ดูว่าไอ้ความหมายไหนมันใกล้เคียงอตามสภาวะที่เรามีเราโคตรว่าโอ้โใช้ถูกอย่างยกตัวอย่างอย่างหัตถายาลูกอย่างเงี้ยอัตมาก็เข้าใจแล้วว่าเออหัตถยาลูกน่ามันเป็นสภาพยังไงมันที่ตั้งของรูป ไอ้ของนามมาทำตัวนี้อ่าแล้วมันที่ตั้งเป็นยังไงอืซีผู้ไม่รู้ก็ไปแปลว่าเป็นที่ตั้งเขาไปอยู่ในหัวใจห้องที่สี่ที่ห้าอะไรจะเป็น ส, สถานที่อาตมาก็ว่าโอ้ยตายตายอย่างนี้เป็นต้นพอถ้าไปแปลงงั้นอาตมาก็ฟังเข้าใจแล้วอาตมาก็ว่ามันไม่ใช่นะ<ม>อะไรหละอย่างหรือแม้แต่คําว่ากายอย่างนเป็นต้นครับเอาชัดๆคาว่าสัญญาเวทยิตานิโรธ<ม>เป็นต้น นี่รอดในชนิดที่เรียกว่าดับทั้งสัญญาดับทั้งเวทนาไปแล้วก็ปีไปเป็นอสัญญาสัตว์เลยอย่างนี้เป็นต้นครับอัตมาก็ว่ามันมีดับแต่มันไม่ได้เป็นดับอย่างนั้นนะก็มีสภาวะอัตมาเป็นสภาวะก็ะทึงว่าเออก็ต้องมาเป็นภาราที่อัตมาจะต้องมาอธิบายอย่างนี้ก็ก็มันอย่างที่บอกครับกินโค้กกับกินเบบซี่และเอสเนี่ยมันก็ซานะแต่ซาต่างกันจะอธิบายไม่ได้ ควาเป็นสภาวะเออยกตัวอย่างงี้ง่ายอย่างกันเนาะครับเออมันอธิบายได้มันซ่าอย่างไรเนาะอือออกินแล้วก็มีไอ้ไอ้ไอ้ภาวะของไอ้ไอ้ตัวไอ้อะไรนะท่าที่มันมีกรดซ่ากดทําให้มันมันซ่าซ่างอย่างนี้นะเออสองยี่ห้อนี้ใกล้เคียงกันนะนะไม่รู้มันซ่าซ่างยังไงอธิบายไม่ได้แต่มันซ่าทั้งคู่นะนะครับใช่อธิบายยากอย่างนี้แหละน้าเขาบอกว่ามีหลักฐานยืนยันในเล่มที่สิบสี่ ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นกายปัจสัตติที่เป็นกายปัจสัตตินั้นคืออะไรคําตอบก็คือกายปัจสัทธินะ ค, คือผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเหตุผ <Glue. S 2> ัสสะเป็นปัจจัยเป็นเหตุแล้วจะเกิดความสงบทางองค์ประชุมเรว่ากายครับที่จะรู้ความสงบเบรื <USTIN> ร่องกายปัจสัตติเพราะฉะนั้นจะรู้ความสงบได้ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเหตุในผัสสะานนั้นต้องมีกายมีองค์ประชุมครับ อไม่ใช่ว่าไม่มีกายองค์ประชุมครับะจะมีแต่ตาไม่ไม่มีตาหูจมูกนิ่กายมีแต่ใจเฉยๆเป็นนาม ก, กายล้นๆนั่นมันอ่านรูปของของแห้ง อ, กกงอืมันจะไม่รู้อยาบกลางเนี่ยมันจะไม่รู้เลยคุณลืมตาออกมาคุณปฏิบัติรำแบบนั้นมันกระทบตาหูจมูกนิ่กายอคุณถึงเวียนกลับได้คุณสะกดมันได้ครับสะกดมันเออทนได้ทนได้ทนได้ไดแต่สักวันหนึ่งคุณก็ฟื้นครับเพราะคุณไม่ได้ดับเหตุอื วิธีที่นั่งสมาธิหลับตาฌานหลับตาพวกฤาษีพวกอะไรกองๆอนๆที่เทำนี่ไม่ได้ฝึกกําจัดมาเมื่อต้นทำกลางมันปลายเพราะคุณจะไม่เป็นโซดาบัญก่อนคุณจะไม่ได้เป็นสังกิทาการมีก่อนอนาคามีก่อนพระยาท่านทั้งหลายที่นั่งหลับตาสมาธินี่คุณอธิบายโสดาสกิทาอนาคามิไม่ออกขอยืนยันคุณอธิบายปุ๊บเป็นอรหันเลยหรือไม่คุณก็บอกโสดากับอรหันสังกิทาอนาคามิคุณแยกไม่ออกหรอกครับขออภัยนะยะหาว่าอาจมาไปดูถูก เลยก็เห็นมานักแล้วพูดกันเนี่ยครับอธิบายสังกิตาคามีอานาคามีไม่ออกหรอกครับบอกโซดาคือไงโซดาคือรู้จักลึกๆแล้วรู้จักจิตเจตสิกแล้วแล้วสังกิตานาคาเป็นไงโมเมไปเรื่อยครับนะเอาสังโยชน์มาอธิบายก็ยังไม่ไม่ค่อยถูกเลยอนะเสร็จแล้วเรื่องเอาอนุาสัยเจตมาอธิบายก็ยังไม่ค่อยถูกเลยเสร็จแล้วก็ไปอรหันเลยอืม เพราะฉะนั say, after, ้นเ็าจะไม่ม ah ีเลยโดาปับอรหันโดาปั๊บอรหันโดาก็โสดาเดาอรหันตกลงก็อไอไออรหันไม่ใช่อรหันเดาถ้าโซดาเดาแล้วเนี่ยอ่ะอรหันก็คืออรหันดำอรหันกลายเป็นกินหะกลายเป็นดำนะเป็นเป็นสุปกินหะพร้อมสุปกินหะไป การดับไงดับจิตดับสัญญาดับเวทนามันก็มืดไปหมดเลยคกลายเป็นอสัญญาสักหรือไปหลงดับเนวสัญญานาสัญญายตนะเหมือนอุทกดาบทั้นั้นแหละมันก็อันเดียวกันกับอสัญญาสักนั่นแหละอืแต่ก็ไปกําหนดหมายว่าเป็นภพภูมิของอรูปฌานเขาก็เลยไปติดจบอยู่ตรงนั้นแต่ภาวะกายอย่างเดียวกันกับอสัญยีสัครักเพราะฉะนั้นกายอย่างเดียวกันในอสัญยีสัก ในวิญญาณทีติเจดกับสตาวาสเก้าเนี่ยอยู่ในข้อที่สีเหมือนกันเลยอัอสัญญ์สัจกอดีในวัญญานาสัญญ า, ญญายตนากอดีรหรือแม้แต่เป็นอากินจัญญายตนาของอาลานดาบทก็เช่นเดียวกันเพราะความละเอียดลึกของคุณสัญญาของคุณได้กำหนดได้แค่อ่านได้แค่อากินจัญญายตนาสัญญา ค, ค, คุณกาหนดรู้ สงกระเอียกขึ้นไปถึงขั้นเนวัสัญญาณสัญญาณยตะนะไม่ได้ครับสําหรับอารานดาบทคุณไม่มีภูมิที่จะไปรู้รายละเอียดได้เป็นขนาดนั้นอย่างนี้เป็นตน้นครับทีนี้ประเด็นหนึ่งครับที่ที่ผมเห็นด้วยกับแนวทางก็คือว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือการเห็นกายเนี่ยถ้ามันเห็นกายเข้าใจในคำว่ากายนามกายรูป ก, กายเนี่ยมันจะนําไปสู่ ของการเข้าไปสู่โสดาบันก็คือจะไปเห็นเรื่องของสักกายทิฐิสักกายก่อนสักกายก่อนเลยถูกไหมครับสักกายในแปลว่าตัวตัวตัวเองซึ่งถ้ามันไม่เห็นก็ไปจูงตนของตนของตนแล้วก็เรียนรู้ตัวนี้ให้ได้เพราะงั้นใครที่สามารถที่จะมีสัมผัสนามรูปสัมผัสสภาวะของตนเองครอ๋อตัวนี้เองแหะคืออาการทุกข์เรีนรู้จักทุกขเวทนาครับรูปอาการทุกขเวทนา รู้ว่าโอ้อาการนี้อาการทุกข์น่าจะจับสักกายกของคุณได้แล้วเริ่มต้นเห็นทุกข์ลบเพราะนั้นตรงนี้แหละครับทำให้ที่ผมม า, มาพูดกับพระครูคือคือผมมาทวนไงครับมาทวนว่าเอ๊ะที่พระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยท่านมีลำดับการสอนอยู่ทำไมหลัปกปฏิจจสมุปบาทมีการไล่สายอยู่ ทำไมมีการอา ธ, าธิบายของสภาวะของความเป็นโสดาบันเงี้ยจะต้องหลุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาก่อนแล้วผมก็มาเชื่อมโยงกับสิ่งที่พระครูสอนในช่วงนี้คือรูปเรื่องรูปกายนะครับนามกายรูปกายทั้งหลาย mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่าความสําคัญขั้นต้นเนี่ย mm hmm. บทที่หนึ่งเนี่ยมันต้องเห็นตรงนี้ก่อน mm hmm. เพื่อไปให้เข้าใจสัจกายะเอาตรงนี้หลุดออกไปก่อนใช่ใชถูกไหมครับต้องเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนเลยข้อแรกก่อนความเป็นสัตว์ข้อแรกครับความเป็นสัตว์ข้อที่หนึ่ง ครับแม่สมาเรียบเรียงมาหลายวันแล้วพยายามจะอ่านมีเวลาไหมอักครึ่งชั่วโมงนะมีครับเอาๆนี่ดีกว่าครับนะเอาสตาวาสขั้นที่หนึ่งที่ท่านตรัดเอาไวส้สตาวาสขัส้นหน่งหรือวิญญาณทิฏฐิข้อที่หนึ่งนี้นะภาษามันก็มีว่ากายอยต่างกันครับสัญญาต่างกันครับนะกายต่างกันสัญญาต่างกัน นี่เป็นคนทั่วไปปุถุชนทั่วไปไข่ไข่ทั่วไปที่ไม่ได้ประสีภาษากับการเรียนรู้ปรมัต ธ, ธรรมหรือสัจธรรมเลยครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จักสักกายะเมื่อไม่รู้จักสักกายะของตนครับยังจับไม่ได้และก็เรียนรู้ทั้งอุปาทายรูปต่างๆไปอีกไม่ได้แล้วครับคุณก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นลองอ่านดูครับผู้มีภูมิศัตวว่าดขั้นที่หนึ่งเนี่ยทั่วๆไปเนี่ย มันแค่เป็นคนทั่วไปก็มีแค่สานึกยังไม่มีความรู้ทางยานทางอะไรยังไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยไม่มีการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทางจิตใจครับมงเล็บนะว่าสัตว์ทางจิตใจเรียกว่าโอปปปาติกะสัตว์หรือสัตว์โอปปปาติกะครับนะคนยังไม่มีความรู้ในเรื่องสัตว์โอปปปาติกะยังไม่มีความรู้ทางใจนี่เลยนะความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์มนุษย์นี่นก็มาถึงใจนะ เป็นใจที่สูงใจที่เจริญครับมนุษย์ที่หมายขอไปเงนินแว่างนินและความเป็นศัตว์ต่างๆสัพท์มนุษย์ศัพท์เทวดาศัตว์นรกศัพท์พรมอะไรก็แล้วแต่ครับอทีนี้คนที่เป็นปุถุชนนี่โดยเฉพาะคนเป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปหรือแม้ว่าจะศึกษาธรรมะแต่ว่ายังไม่ประสีภาษาจะศึกษาธรรมะก็ตามแต่ยังไม่ประสีภาษาเลยเนี่ยครับก็จะกําหนดหมาย ค, คุณจะเรียนรู้ใช้สัญญาการกําหนดหมายนี่ ค, คุณก็จะกําหนดหมายความเป็นสับ ส, ส, ส, ส, สเปสปะไปกำหนดเป็นสเปสปะก็คือเรียนรู้ใหม่ๆนี่ยนมะันก็จะเปสปะไปคาคํางงๆคำคำไปไม่เป็นนามธรรมสเปสปะ ไ, ไ, ไปตามอํานาจกิเลสเพราะตอนนั้นยังมีกิเลสอยู่เราพยายามอย่ากให้กิเลสมาน ก, กวัแล้วคุณก็พยายามเรียนรู้พยายามจะถฝึกขัดให้ตัวสัญญาทํางานกําหนดรู้ ในนามกาทําต่างๆพวกนี้นั่นแหละชัดๆครับนะแต่ว่าไม่มีความรู้ทางจิตหรือว่าทางปรมัตา์เลยอนี่นี่คือสัตวว่าทีข้อที่หนไม่มีเลยอ่าเมื่อไม่มีความรู้ทางปรมัตา์ทางจิตเลยเนี่ยจึงเชื่อว่าจึงเชื่อคือเคยเชื่อแต่เดิมมาคนจะเชื่อเก่ามาก่อนเลยว่ากายของความเป็นสัตว์นั้นอะ่ะมันก็จะเป็นสัตว์ไปตามประษา อเขาบอกว่ามันนา ม, มาทํามันเป็นอารูปหน้ามันไม่เคยเห็นก็ฟังไปแต่ที่พูดพูดบอกบอกล่าวว่าไอวิญญาณมีรูปร่างนะมีตัวตนนะผู้ที่ตาทิพย์นี่ยก็จะเห็นรูปร่างนะก็จะได้ยินคํานี้โดยเฉพาะเทวานิยงก็จะสอนคำนครับเทวานิยงเนี่สอนเป็นรูปร่างหมดยนามนมทําก็เป็นรูปร่างหมดครั บ, รบก็จะได้รู้รู้อย่างนั้นพอมาไปของพระเจ้าท่านแก่แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตชัดเจนว่าจิตวิญญาณมันนามาทำมันมันไม่ได้มีรูปร่างจิตวิญญาณมีรูปร่าง คุณก็กำหนดสเสปซสปาไปหมดตามภาษาพูดที่ยังมีอวิชชานาะเพราะฉะนั้นสัญญาไปกําหนดความเป็นสัตว์ครับนะอ่าแบ่งไว้เช่นสัตว์นรกครับสัตว์นิบาตในสัตว์นรยมปฏิบัติก็กําหนดไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณไปกําหนดเป็นรูปร่างเป็นตัวตนอเมื่อคุณไปกําหนดเป็นตัวรูปร่างตัวสัตว์นรก เชสมุติอย่างเตะไทยเราก็บอกว่าโอ้สัตว์นรกหรือสัตว์เปรตนี่นะตัวสูงสูงแขนยาวๆขายาว ๆ, ๆ, ๆพุงตโตๆปากจุ๊จู๋อะไรเนี่ยครับคุณก็ไปศึกําหนดตามรูปร่างอย่างนั้นหมดเลยแทนที่คุณจะไปอ่านนามมันทาครับคุณไม่อ่านนามมาทําเราคุณก็จะไปกําหนดว่าเออจะเห็นสัตว์นรกคุณจะเห็นรูปร่างหรือสัตว์เปรตหรือเห็นแต่สัตว์เปรตมีแต่เครื่องในกับหัวค้อยตรงเตงตรงเงลอยไปลอยมาเหมือนที่เขาสอนกันมาคุณก็จะบอกว่า คุณก็จะไปกําหนดปั้นด้วยอืไปปั้นไปปั้นไป ม, ม, ม, มโนโมยอัตตาสร้างรูปที่สมเร็จด้วยจิตขึ้นมาเป็นรูปร่างนั้นพอมันเกิดภาพนี้ขึ้นมาคุณก็บอกโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปกําหนดรูปขึ้นมาทางนั้นเลยกําหนดสร้างขึ้นมาทางนั้นเลยมันไม่เห็นอาการที่เป็นจริงตามเป็นจริงอาการเคลื่อนอาการไหวของนามธรรมอ<ม>อาการเป็นอาการอุปาทายรูปยี่สี่นี่คุณจะไม่มีความรู้ในเรื่องอุปาทายรูปยี่สี่เลย ไม่เลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะกําหนดสัตว์นรกก็ตามที่คุณได้เรียนม า, าสัตว์นรกตร้องมีรูปร่างตัวตนแบบนี้แหละผีเป็นอย่างนี้แหละครับนะเป็ดเป็นอย่างนี้แหละพสุรกายเป็นตัวอย่างนี้แหละนะเป็ดชนิดนั้นเป็ดชนิดนี้ก็ตกเป็นรูปอย่างนี้มีร่างอย่างนี้มีนะอ่าสารพัดที่มันปั่นมาหลอกกันครับนะหรือจะเป็นเทวดาอืเป็นเทพเป็นพรหมก็ตามคุณก็จะกําหนดไม่ถูกต้องไปทั้งหมดนั่นแหละ นะไม่ถูกต้องไปตามเป็นจริงรเพราะเมื่อเข้าใจผิดว่าเทวดาก็ดีสันนรกก็ดีพรมก็ดีมีรูปร่างทั้งนั้นมีภาพทั้งนั้นคุณก็ไปกําหนดเรียนแต่จะเกิดรูปร่างอืคุณไม่ได้ไปอ่านอาการลิงคณิมิตคุณไม่ได้เกิดอักเรียนรู้นามมาทำที่มันเป็นอาการว่าอาการของสัตว์นรกเป็นอย่างไรคร อาการของเทวดาเป็นอย่างไรอืมอาการเทวดาที่เป็นเทวดาสมมุติเป็นอย่างไรครับอาการที่เป็นเทวดาอุบัติเทพคือเนคขมะมาได้อุบัติเทพทําให้เกิดทําให้มันเป็นนิพพติเรียกว่าเกิดครับหรือเป็ น, นอภินิพพติอเป็นการเกิดเรียกว่าชาติทั้งสี่อย่างนี้มีชาติสัสัสญชาติโอโอกันติแล้วก็ อนิพพติครับอภินิพพติครับคุณก็ไม่รู้การเกิดของจิตวิญญาณที่มันเกิดอย่างเนี่ยขมานิพพตินี่เกิดอย่างเนี่ยขมาแล้วครับอภินิพพตินี่เกิดอย่างเป็นปรมัติตัวปลายเลยอืตัวสมบูรณ์เลยมันมันเจริญไปตัวปลายไงท่านแบ่งแยกไปชาตินีิไว้ห้าข้อชาติสัญชาติโอกันติแล้วก็นิพพติอภินิพพติในปฏิสุลุบาบเนี่ยครับ ถ้าใจว่านี้นะนามมานามนามทาทำนามไปคืออันนี้นะไม่ไม่ใช่นามชาติชาติห้าชาตินี้นะครับคุณก็เรียนรู้ชาติไม่ออกคุณก็ไม่รู้ว่าอาการชาติสีสีสภาพนีสีภาวะนี่เป็นภาวะรูปเนี่ยเป็นภาวะยังไง ค, คุณก็ไม่รู้จักนะ <c oughs> เพราะงั้นคุณก็จะกำหนดกายก็กําหนดผิดแล้วอก็กายมีสีสันรูปร่างตัวตนคุณก็ามันกหนดหนู่นแทนที่คุณจะอาการอาการไหวเป็น แต่เป็นรูปต่างๆนเป็นอาการวิญญาตรูปเป็นอาการที่มันมันอาการของนามมาทำมันเคลื่อนไหวให้รู้เท่านั้นแหละมันไม่มีสีสันตัวตนเส้นแสงอะไรเลยนะเพราะคุณก็กำหนดวิญญาตรูปนี่ก็ไม่ออกนะแม้แต่ว่าหธิรยรูปคุณก็ไปกำหนดเ ป, ป็นสถานที่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงรายละเอียดอะไรต่างๆนา น, นาที่จะไปตืง้งถึง สุดท้ายลาักษณะรูปครบบริบูรณ์ทั้งอุปจัยะนะสันตติชราตาอานิจจตานี่คุณจะไม่รู้เรื่องเลยหรือแม้ในวิการรูปภาพเลิกเลยละหุตามุทุตารกรร ม, มยตตาหรือไอไวิญญาตอีกสองที่บา่กกายวิญญาติกวิธีวิญญาติคุณก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้นะเพราะคุณไปกำหนดผิดซะแล้วไปเอารูปร่างก็ทั้งทั้งเนี่ยมันไม่ใช่รูปร่าง มันไม่ใช่สรีระมันไม่มีศรีระมันเป็นนามธรรมครมันเป็นนามมันเป็นนามมันเป็นเรื่องอาการไว้เป็นนามมันไม่ได้ตัวตรู้นได้อาการลิงคขั้นนิมิตอุเทศเราฟังคําอธิบายต่างๆนี่ที่อาตมากําลังพูดนี่คืออุเทศครับเข้าใจอุเทศนี้แล้วคุณก็ปฏิบัติดูอาการลิงคขั้นนิมิตของคุณให้ได้มันมีลิงค์ข้มันมีความแตกต่างระหว่างภาวะรูปครับลิงคข้าเป็นอิทธิหรือเป็นปุริสะครับ เป็นอิทธิสินรียหรือว่าเป็นปุริสินรีครับคุณก็จะต้องไปอ่านพวกนี้ให้มันชัดเจนทําไปถึงปุริสินรีได้อยังหรื อ, อยังไม่ได้มันมีอิทธิอยู่ตั้งโอ้โหเป็นอิทธิประเภทที่เรียกว่าโ อ, โ <c oughs> อ้โหมิมมนทัชโอ้ลีลาเหลือกินเลยมิมแมนทัชอ่าอิทธิภาวะขนาดหนักครับคุณก็ต้องเรียนรู้อิทธิคุณต้องเยอะต้องแยะอย่างนั้น <c oughs> มันจะเกิดอาการอะ มันไหวอย่างไรนะมันเป็นการแสดงวิญญาตรูปอย่างไรองค์ประชุมทั้งหมดเรว่ากายวิญญาตจนกระทั่งเป็นวจีวิญญาตอย่างคุณว่าเมื่อกี้คนที่บอกว่าไปปฏิบัติผู้หญิงอกบาเนี่ยนะครับพออาจารย์บอกว่าเออเขาก็คุณไปเป็นโสเภณีมานะโอโหมันเป็นกายวิญญาตหรือว่ามันเป็นวจีวิญญาตมันด่าขออะไรดามาด่าอาจารย์หรือเปล่าข้างในมันเป็นหรืออย่างคุณได้อ่านออกไหม หรือว่าจิตกินแล้วยับยั้งมาอยู่แล้วด่าอาจารย์ตอเลยก็เป็นวิจิกรรมเป็นเลยแล้วครับแทนที่จะดักทันรู้แต่ว่จิสังขารก่อนคุณไม่และไม่ทันมันแล้วครับคุณไม่มีชวนจิตพอคุณมุทุพุตธะทานของคุณยังแข็งเป๋งเลยยังไม่ได้เป็นมุทุมุทุตาใดเลยครับมันยังไม่เป็นมุทุตาอะไรเลยครับอะไรนี่เป็นต้นคเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ ถ้าเผื่อว่ามันผิดพลาดไปแล้วอัตต์แม้อาัจจะอ่านมันเชื่อมกันได้ตลอดเลยครับอัตต์ซิ่งมันเรื่องเดียวกันครับเพราะงั้นคุณจะไม่รู้เลยว่าสัตว์นรกเป็นยังไงเทพเป็นยังไงพรหมเป็นยังไงนะคุณจะไม่รู้เรื่องกําหนดสเปคสปาากายองค์ประชุมที่จะต้องรู้รูปร่างก็มีตัวมีตน ม, ม, ม, ม, ม, มีรูปมีร่างฉะนั้นจิตวิญญาณนี่คนก็ถึงเข้าใจว่าโอ้จิตวิญญาณนี่ใครเห็นตาทิพย์ก็จะเห็นดูซินี่คนนี้ตายเดินมานี่ยงยงเลยนี่มีรูปร่างครับคนนี้ตาย สมมติขออภัยน <ing> คุณตายนะคุณตายทีนี้พอคุณตายลงปั๊บคนเทตาทิพย์ก็เลยว่าโอ้นี่เขาไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นรูปร่างนี่แหละหน้าตาเขาจะอย่างนี้เอรูปร่างกายก็อย่างนี้อ่าดีไม่ดีก็แต่งตัวก็ชุดนี้แหละเดินลงย่องย่องย่งไปก็จะเห็นวิญญาณเป็นรูปร่างตัวตนอย่างนั้นซึ่งมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีสรีระสรีรังครับมันไะม่มี <t hr Rams underneath> ตายปุ๊บเห็นเดินๆออกมาจากร่างกายเลยเพราะฉะั้คนที่บอกว่านี่เห็นเลยเนี่ยคนนี้ตายแล้วเนี่ยวิญญาณออกทางตาอวิญญาณออกทางหน้าผ่าอืกวิญญาณออกทางสะดือวิญญาณออกทางนั้นทางนี้เวทจริงๆเลยก็บางคนไปคุยกับพระอินได้อ่าอต่อนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะกาหนดกายไปตามเรื่องเด็กพ่อกายไปกําหนดรูปอย่างที่อธิบายแล้วเมื่อกี้นี้มันก็ผิดไปแล้วไปกําหนดอ่า เป็นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอะไรเป็นตัวตนเป็นสรีระไปหมดมันไม่มีสรีระต้องอ่านอาการนามอาการลินิะนิมิตเครื่องหมายที่มันเป็นเครื่อนไหวเป็นอาการระรูปเป็นอะไรนะเป็นวิญญาตรูปเป็นวิการระรูปต่างๆนานาหรือเป็นชีวิตรูปมันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือว่ามันนิ่งไปแล้วมันหยุดแล้วอะไรเนี่ย เพราะว่าการที่จะรู้ครบรู้อะไรมันต้องมีประสาทรูปมีโคจรรูปรแต่คุณตัดทิ้งไปหมดแล้วโคจรรูปอ่าอ่าภาษาทารุปก็ตัดทิ้งไปแล้วหมดเลยแม้แต่ดินหน้าไฟลมคุณก็ไม่จะเชื่อมต่อเลยคือจะไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าอีกก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะก็มันก็ขัดหลักการที่พระพุทธองค์สอนด้วยตัวเองดีครับก็บอกว่าบางคนบอกแหมไปถวายข้าวไปตักบาตรข้าว พ, พุทธเจ้าได้อีกด้วยอเพราะหลักการที่พระองค์สอนเองก็คือ ปริญนิพานกระบวนการของขาดมันไม่มีมันไปจินตนาการก็ไม่ได้แล้วสิครับอ้าวพระพุทธเจ้ามีให้ไปถวายข้าวด้วยห่ะบางบางที่เขาบอกว่าเนี่ยยังไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าได้อีกอ่าและตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีแล้วสมมติถวายไงเนาะนี่ไงผมก็ยังไม่รู้อ่าษรูปก็ไม่มีโฟจะรูปก็ไม่มีครับแล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าครับเอพระพุทธเจ้าก็ไม่เหลือตาไม่เหลือหูของคุณเอาไปถวายก็ไม่ได้เอาตาหูไปด้วยเลยนะ ก็นี้ก็เลยงงๆว่าเอ๊เขาสอนกันเขากัยังไงก็คือผมก็เลยงงเหมือนกันว่าเอ๊ขัดแยงด้งในหลักการด้วยตัวเองมั น, <ละ S 1> มนยิ่งชัดนะถ้าเราศึกษาดีๆเราจะยิ่งชัดอย่างนั้นต่อไปอ้าวต่ออีกนิดหน่อยเพราะงั้นผู้ที่ยังมีอวิชชาจริงๆหรือว่ามิจฉาทิฏฐิไปเรียนมากก็วิชฉาทิฏฐิอยู่เนี้ยจึงต่างก็มีกายนะในวิญญาณทิฏฐิหรือว่าในสตาวาสเนี่ยกายที่เป็นกายที่มีรูปร่างก็จะมีรูปร่างมีรูปมีร่างมีสรีระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่ตนนกําหด จิตมันสัญญากำหนดมาเอา้าก็เรียนมาแล้วมันคงเป็นรูปร่างสิก็คุณไปยึดมัน่คนคุณไปหลงติดอยู่ว่ากายนี่คือรูปร่าง ม, มีสีสันมีตัวตนมีรูปร่างด้วยครัคุณก็ไปกำหนดแต่ว่าจะมีตัวตน ม, มันไม่มีมวิญญาณมันไม่ใช่งั้นคุณไม่มีทางอ่านปรมัตเเล ย, เลยรเพราะคุณรู้จิไปปัจจระสิทธิ์ไปหมดแล้วครัคุณไปเหลือแต่เอกรูปร่างกาย หือเสียงก็ไปเป็นรูปหูก็เป็นรูปก็ไปกำหนดเสียงก็เป็นอย่งงางนั้นรูปกลิ่นก็เป็นอย่งงางนั้นครับที่เป็นสภาวะที่จะจับต้องได้อแต่คุณก็ไปจะไปจับต้องได้ยิ่งคุณไปกําหนดรู้เสียงไปกําหนดรู้เสียงก็พอได้นะครับกลิ่นรสที่สัมผัสทั้งจมกูกทั้งลิ้นนี่นะ คุณไม่มีแล้วนะไม่มีจมูกไม่มีลิ้นแล้วนะคุณกําหนดในใจของคนนี้ยากเลยนะรูปยังปั้นขึ้นมาเป็นรูปได้เสียงก็ยังปั้นเป็นเสียงได้หูแววได้ตาหลอกหลอนตาหลอนได้แต่กลิ่นหลอนก็จะพอมีนะโอ้โหนี่ได้กลิ่นลอยมาเลยนี่กลิ่นมาเป็นกลิ่นทูกโอมาเป็นกลิ่นโลชั่นของคนนี้ชอบใช้กลิ่นนี้มาโอ้โหนี่กลิ่นเพอร์ฟูมขนาดนี้มาเลยของคนนี้มาโอ เขาก็ได้ได้กินนะแต่ได้อยู่คุณคนเดียวคนอื่นก็าไม่รู้ด้วยหรอกเ็ปั้นหลอกล้อเงินทุนได้เรียกว่ามโนมยัตตาทั้งนั้นเลยนะเพราะการกำหนดหมายที่กำหนดแม่กายก็พลาดไปกายจึงแตกต่างกันไปหมดเลยไม้จะบอกว่าสัญญาอย่างเดียวกันเลยนะนี่ซ้อนนะซ้อน คุณให้สัญญาอย่างเดียวกันคุก็กาหนดรูปหมายที่มันเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ป น, ต เ, ปนตเป็นรูปเป็นร่างต่างกันเพราะแฝดสองคนหรือปรมาณูสองตัวมันก็ไม่มีอะไรเท่ากัน <ใช S 2> เหมือนกัน <ใช S 2> หมดเลยนี่ก็อธิบายมามากแล้วเพราะ จ, าจะต้อมีตัวตนมีรูปร่างขึ้นมาไม่มีอะไรเหมือนกันเท่ากันสักอย่างไม่มีจะมีอย่างเดียวกันจะถ้าจะเทียบได้ก็มีความมืดกับความสว่าง แต่ความสว่างนั้นเมื่อมีสว่างแล้วไม่มีเท่ากันใช่แต่ถ้ามืดมืดแต่มันมืดในอย่างเดียวเลยอางเดียวกันครับได้มืดได้อย่างเดียวกันได้แต่สว่างไม่มีเท่า ค, ครั บ, รบอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับ อ, อ่าอ่าทีนี้เพราะู้ที่กําหนด ก, กายก็กําหนดไปตามทิศฐิของตนเองที่เป็นวิชาทิศทิเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้จกักสัตว์ก็จะถูกผูกวนเวียนอยู่กับความเป็นสัตว์เลยพบอยู่อย่างนั้ น, นอืมพ้นความเป็นสัตว์ตาวาสก้านี้ ไม่หมดสิ้นไปได้สักทีหรอกครัครเพราะกาหนดกายผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วอืครับไปกําหนดเอาสรีระอเพราะกายนี่บอกแล้วเป็นนามธรรมครับ น, นโบราณทีนี้นี่นอาจจะมาอยากอธิบายที่เป็นที่มาของมันคนยึดยึดผิดกันเพราะคนโบราณเนี่ยครับโบราณที่เป็นปราครัศท่านก็เลยเป็นศิลปินนท่านก็จะสร้างงานศิละปะขึ้นมาครับนสร้างเป็นรูปคน แต่มีสีสับเป็นสัตบมีแขนมีขาเป็นอะไรอะไรเป็นแปลงไปเหมือนมือขาเป็นขาเสือมีมีเล็บอะไรก็แล้วแต่นั่นเราจะมีสั์มีคนก็สั์ร่างเป็นคนนะแต่แขนมือก็ดีหัวก็ดีอะไรเนี่ยเป็นเหมือนสัว์เพื่อเป็นองค์ประกอบเป็นภาพครับเป็นภาพนิมิตเป็นอารเนรมิตขึ้นมาเองอ่ะศิลปินเ็าสร้างตัวสั์นาฬูรูปร่างสัตว์พรงเนี้ย อซึ่งมันมีแตกต่างไปจากคนก็ตรงว่ามันคนนะที่จริงคนนะครับแต่ว่ามันจะมีหัวหน้าตาเป็นสัตว์มือไม้เป็นตีนเป็นสัตว์เป็นแบบเกี่ยวแบบกาแบบอะไรอะไรไปเป็นสัตว์เหมือนกับที่ศิลปินอะไรเขาเขียนพระที่มีปากเป็นอะไรเนี่ยปากกาที่เร่อศิลปินสมัยนี้ที่เขียนอยู่ในงานวันฮาขันธ์ในรังนัลเนี่ยศิลปินก็จะในระมิดพวกนี้ ให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งแทนก็จะมีรูปร่างแปลกประหลาดไปจากรูปร่างของความเป็นคนครับซึ่งก็หมายถึงสมมุติที่สรีระเป็นสิ่งแทนสรีระรูปร่างนั้นเป็นสิ่งแทนเพื่อสื่อให้รู้ว่าสัตว์ทางจิตใจของคน ค, คือสัตว์โอปปาติกะนั้นอ่ะมีความลึกซึ้งแห่งองค์ประกอบแห่งกายอันมีทั้งรูปกายข้างนอกและนามกายรประชุมกันอยู่ซึ่งสื่อให้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ย มีความเป็นสัตว์คนนะแต่มีความเป็นสัตว์บางคนเหมือนเสือบางคนมัเหมือนก็ที่อาตมาบอกว่าโอ้โหรูปที่เขาเขียนเป็นโอ้โหนี่งานศิลปะชั้นยอดเลยที่เขียนว่าคนใส่เสื้อนอกแล้วก็มีหัวเป็นหมาหัวเป็นควายหัวเป็นลิงหัวเป็นวอรนุสพอกเป็นอะไรที่ตอนนั้นน่ะเข้าสภาเข้าสภานั่นน่ะนั่นน่ะคนนะแต่ ใจความเป็นสัตว์ทางจิตใจนะ่ะคือแบบนั้นแบบนั้นบางคนก็หนักยิ่งกว่านั่นอนะ่ะบางคนเป็นมนรรุษเลยนะมรรนุษย์เนี่ยเด็กๆรู้ไหมแปลว่าเราเปรียวแปลเองนะ ร, รบกวนไม่แแปลนะเป็นหมามัง่งเป็นควายมัง่งเป็นอะไรนั้นนะ่ะที่เขาเขียนไว้อะนั่นอย่างงั้นอ่ะคนจริงๆมันไม่มีหรอกสัตว์รูปร่างงั้นมันนี้มีสัตว์โลกสัตว์ไหนไหนโลกไหนไหนมันเมืองไหนก็ไม่มีครนะมันไม่มีหรอกสัตว์อย่างนั้น แต่เขาสื่อศิลปินเขียนสื่อเพื่อที่จะให้รูปสารพัดสัตว์อืแล้วก็มีความหมายในตัวสัตว์ด้วยว่าถ้าสัตว์ควายมันก็จะมีลักษณะของมันอย่างนี้นะคถ้าเสือมันก็จะอย่างงี้นะหมามก็อย่างงี้นะครับหรือบอรนุษย์มันก็ง่ับถ้าไทยเรานี่บอกมนุษนย์เนี่ยบนแยกจำทีแล้วคนในระดับที่เป็นสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบเ น, นี่ยมนุษย์เนี่ยแยกจำทีแล้วอย่างนี้ มันเลยเกิดเป็นเรื่องสภาพที่เป็นนิยายเป็นนิทานกันนะเป็นทั้งงานศิลปะที่เป็นวรรณกรรมเป็นงานปั้นงานวาดนะซึ่งเป็นงานศิลปะของผู้รู้ผู้รู้จริงนะผู้รู้จริงที่เป็นศิลปินแท้เนี่ยอสร้างงานพวกนี้ขึ้นมาเป็นงานที่เกิดขึ้นมางานที่เกิดจากผู้ที่เป็นศิลปินก็มีความหมายชัดเจนว่าให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับรูปที่เอาสมัยใหม่นี่เลยรูปที่ที่เขียนที่ รู้กันไปเนี่ยถ้าใครรู้ไอ้รูปขนใส่เสื้อ น, นอกแถ้็มีหัวเป็นหมาเป็นออควายเป็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือผู้เขียนนี่เจตนาหมายให้รู้นามธรรมไม่ได้เจตนาหมายให้รู้รูปครับแต่ให้รู้ว่าคนนี้แหละ ม, มันเป็นหมามันเป็นควายมันเป็นเสือมันเป็นวรนุษย์เขาใช้คําว่าอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาอ่าเนี่ยนะเป็นสัตว์เดรดิชานทั้งหลายแหละเข้าไปอยู่ในสภานี่แหละครับนะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นศิลปินก็สื่อมีจุดหมายอย่างนี้แน่นอนนะให้รู้ว่าหมายถึงจิตนะจ๊ะไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายอย่างนี้มันไม่มีหรอกในโลกนี้มนุษย์แบบเนี้ยครับนะแต่ที่นี้ผูท้ที่มิชาทิฏฐิงานที่เกิดจากผู้ที่มิชาทิฏฐิเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของงานศิละปะ ก็ไปเขียนแหลกเลยทีนี้ปรุงแต่งเสริมเติมเข้าไปไม่รู้จรก็เขียนเข้าไปเป็นคนพิกสดานเป็นคนหน้าเบี้ยวหน้าบิดหรือเป็นสัตว์อะไรมาผสมกันอะไรเละเละเเทไม่ได้เข้าใจความหมายที่ตัวเองจะสื่ออะไรก็เลยกลายเป็นสัตว์ทางจิตใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเขียนเป็นรูปร่างที่แปลกไปจากคนหน้าตาต้องอย่างนี้มือแข็งคนนี้แต่ไปแปรผิดแปลงไปแปลงเป็นอนุนี้มาเสริมใส่เข้าไปอก็เลยเป็นเละเลยทีนี้อครับเลยกลายเป็นสารพัดสัตว์จิตโอ้โห คนเขียงก็ไม่รู้เรื่องครับนี่คือพวกที่หลงตัวเองเป็นศิลปินครนะเยอะก็เลยเละเท่เลยสัตว์ทางจิตใจเละเทะสเปสเ ป, ส ป, ปะไปใหญ่เลยมันไม่เป็นศิลปะจะเป็นงานที่ผิดไปจากศัจธรรมครับไม่ใช่ศิลปะเป็นงานที่ผิดประิไปจากสัจธรรมเป็นงานอนาจารอเป็นฆาสึกแก่กุศลนะมันเกิดขึ้นมาในโลกมากมายเลยะ งานศิลปะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันอุนดมอแต่ถ้าไม่ใช่งานศิลปะเขาเป็นงานมอมเมาครับเป็นงานอนาจารหรือว่าเป็นค่าสืบแก่กุศลซึ่งทุกวันนี้มีกันเต็มโลกเลยผู้ที่มุกตัวเองว่าเป็นศิลปินและรวยก็เยอะนะหล <laughs> อกคนไม่เข้าใจา ก, ก็นหลอกกันไปขายของงานขายงานศิลป์เอาไปค้าไ ป, า, าไปขายเอาไปหากิน ศิลปินจริงๆก็ไม่หากินกับของพวกนี้หรอกครับมันเป็นของที่ไรค่าหาค่าไม่ได้<ม>นะครไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หากินหรอกอย่างอาตมาเนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่ได้หากินกับสิ่งเหล่านี้เลย<ม>อื่าเพราะฉะนั้นก็หลงผิดกันหลงไปเต็มโลกเลยเรียกว่าเป็นศิลปะไปทั้งนั้นทั้งเจตนาและไม่เจตนาครับเจตนาก็เป็นสิ่งถ้าเป็สมาธิถิก็ดีไปเจตนาให้มันเป็นศิลปะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ตรงนักก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ไอ้ที่ไม่เจตนาหรือว่าไม่รู้อวิชานี่เจอะครับเพราะงานศิลป์จะไม่วัาทางังศิลป์จิตกรรมปฏติมา ก, กรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมจะ เ, เป็นละนาตกรรมหรือแม้แต่เพลงการก็ตามออซึ่งผู้ที่ยังไม่ประสีภาษากับศัจธรรมก็จะหลงยึดได้แค่รูปือสรีระแค่ร่างคือสรีระหรือแค่โฉมสรีระของงานศิลปะ ไม่อย่างลึกเข้าไปถึงเนื้อแท้สาระสำคัญที่เป็นธรรมมาทิฐานจะไม่เข้าถึงธรรมจะติดอยู่แต่แค่รูปข้างนอกเท่านั้นจึงได้แค่บุคลาทิฐฐานของงานศิลทั้งหลายเหล่านั้นไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนเสพงานศิลทุกวันนี้เสพได้แต่แค่เปลือกอ ม, มีอารมณ์รู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกทางอารมณ์เหมือนกันทางจิตเหมือนกัน แต่เป็นอารมณ์ที่บเมเลอครับโอ้สวยอโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มันดีสุดๆแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นศิลปะนี่เป็นการให้รู้จักกิเลสให้รู้จักอารมณ์โกรธโลภ ก, กดธหลงลดโลภ ก, กดลงยังไงเป็นมงคลอนุดมมันก็มาพาเจริญไปสู่อุดมสิที่สูงสุดคือนิพพานครับไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่เปลื อ, อกนอกสาระสาคัญที่เป็นมงคลอนุดมไม่ได้นะ มงคลอุดมแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่นำพาให้เจริญสู่ความสูงสุดอุดมในสูงสุดสิ่งที่นำพาเขาอย่งสูงสุดหรือธรรมะที่นำพาไปสู่ความละอนายคลายจนถึงที่สุดสุขเกษมคือนิพพานครับนี่คือมงคลอุดมตามที่พระเจ้าตัดไว้าาไในวัศิลปะเป็นมงคลอุดมไม่ใช่เป็นข้าศึก ข, ขุศลหรือเป็นอนาจารแต่ถ้าไม่ไม่ใช่งานศิลปะไม่ใช่งานศิล ซึ่งคนไม่ใช่ศิลปินอีกมากที่ช่วยกันจินตนาการของตนเองแล้วก็เสกสรรปัน้นแต่งตามอาวิชาของตนเสริมเข้าไปอีกกลายเป็นงานมอมเมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกครับเต็มโลกขออภัยยิ่งต่างประเทศเนี่ยศิลป์ทั้งนั้นเลยขออภัยจะอย่าหา ว, วา่าว่าเพราะเขาไม่ได้เรียนรูปป้ประมาทเขาไม่ได้เรียนรู้ความจริงตรงนี้ครับเลยมอมเมากันยับเยินเลย อ่เป็นงานแอปสเตรดเป็นงา น, งานอ่าอะไรเป็นงานที่ซีเรียลิสเป็นงานอโอ้ยตั้งชื่อมาเรียงทัานเป็นเท่ะอะไรมีดิสมารลาครับอ <c oughs> เพราะงั้นอวิชานาพาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยครับเพราะไม่รู้ลึกซึ้งถึงความเป็นศิลป์ศิลปะที่เข้าขายเป็นมงคลอนุนดมส่วนมากจะเป็นงานที่ก่อเกิดกิเลสก่อให้หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เพื่อเสพรสอัตตาธากักัย่างโลคีเกือบทั้งสิ้นครับหรือไม่ก็เป็นงานที่ก่อให้เกิดอัตตาจึงเป็นงานที่เป็น้าสแกกุศลครับที่เรียกว่าอนาจารคือไม่ควรทำอ่อารานศิลปะขั้นอุ ด, ดมซึ่งหมายถึงขั้นประเสริฐหรือขั้นเลิศขั้นเข้าข่ายอริยะหรือโลกุตระนี่จึงหาได้ยากครับศิลปินที่สมาธิ ที่สร้างงานเข้าขายเป็นศิลปะที่เป็นมงคลเป็นมงคลอนุดมที่ว่านี้นั่นหาได้น้อยมากในโลกปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะติดอยู่แค่รูปนอกแค่แสงสีเสียงหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นรสกามารมณ์หรือไม่ก็เพอ้อฝันปั้นอัตตาสามปั้นหนักหนาหนักหน้ากันไปจนกระทั่งอาตมาไม่สามารถจะสาธยาได้หมดหองปั้นเป็นอัตตาในสารพัดได้เลย ที่นับวันก็มอมมอมกันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หลอกกันว่าศิลปะแล้วก็ขายกันราคาแพงแพแพงก็กลายเป็นการหากินชนิดหนึ่งในวิชาของมนุษย์ในโลกค้าขายกันไปงานที่จะพานำพาไปเจริญทางจิตวิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะถึงขั้นนำพาไปสู่ขั้นอริยรืมที่เป็นโลคุตระซึ่งจะกำจัดความเป็นสัตว์สัตว์ทางจิตใจคือสัตว์อปปาติกะเนี่ย จึงหาไม่เคยได้พุทธิยังไม่สมาธิิในความเป็นสัพทางจิตใจนะทั้งหลายตัางกล่าวมานี้จะจินตนาการของตนเองเสกสรรปั้นแต่งให้จิตให้วิญญาณมีรูปมีร่างซึ่งขานแย้งกับความจัตรูของพุทธาทือว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณไม่มีรูปร่าง อ, อสรีรังครับนะเพราะฉะนั้นพุทธยังเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เนี่ย นี่วิญญาณจึงมีรูปมีร่างกันแล้วก็เกิดจากภูมิชาจิติ่น ท, ทั้งหลายนี่สารพัดเอียงที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาสารพัด ส, สัตว์จากจินตนาการมากขึ้นมากขึ้นไม่มีลดลงเลยไม่มีจบสิ้นเลยแถมพื้นฐานของความเชื่อเดิมๆมีความเชื่อเก่าแก่มันเดิมๆอีกของชาวเทวานิยมก็เชื่อว่าจิตวิญญาณมีรูปร่างมีสตรีระเชื่ออย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรอีกด้วยครับ จึงยิ่งทําให้การชี้แจงสัจธรรมที่อาตมากาลังชี้แจงว่าจิตวิญญาณนี่ไม่มีรูปรไม่มีร่างหรอกนะที่จริงไม่ใช่ของอาตมาเราพรุทธเจ้าสอนมาอาตมาก็มาเห็นจริงด้วยตามแล้วเอามาสอนอีกมันก็เลยยากสุดแสนยากยิ่งกว่าเข็นเครืคร่องขึ้นเขาอ้าวแล้วอาตมาก็คงจะใช้เวลาท่านี้เหลือเวลาที่จริงเราเริ่มต้นเจ็ดนาทีเลยไปเจ็ดนาทีเหลืออีกสามสี่นาทีก็ มือนเมื่อสักครู่ที่พอ่อคูพูดทิ้งท้ายครับก็เหมือนที่ผมเกินนําว่าที่เกินใ น, ในการาจัดรายการครั้งนี้ว่าชีวิตที่เห็นมาครับตั้งแต่แก้บนมาเวียนเทียนแก้บนกันแล้วแก้บนกันอีกไม่เสร็จไม่สิ้นเนะครับเพราะว่าเราไปยึดความเป็นเทวนิยมแล้วให้ความเป็นเทวนิยมมันเข้ามาครอบงําจึงทําเข้าใจถึงหลักพุทธศาสนาที่คาดเคลื่อนทนั้งน้นที่ทุกคนท่องกันจริงถึง หลักปฏิกจสมุิบาทนะครับทุกคนพูดมีอะไรบ้างในสายนี้มีความเป็นไปเกิดอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับแต่ความเข้าใจแนละเข้าถึงในเนื้อหาและความเข้าใจแท้จริงเนี่ยนะครับของหลักอิทัิปัจจยตานั้นเป็นอย่างไรทุกคนรู้ว่าทุกอย่างเป็นความเนื่องแต่ในความเนื่องของรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรมันวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ที่ผมพูดแล้วก็ถามพ่อครูก็คือว่า เราเองเนี่ยเรายังเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในภพฉอกรรมวจร <ph OT> ก็คือการพบในการมแม่ ม, ม, มาพ ช, ชะมาพชละชะละพระซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรายังต้องเวียนไหว้ตายเกิดกับความเป็นไปเวียนไหว้ไปเกิดของอะไรของการทําหน้าที่หน้าที่ของความสมบูรณ์ของร่างกายเราในความที่เราเกิดมาครบสาสิบสองประการ ในการที่เรามนุษย์ทั่วไปโดยปกติครบสามสบการนั้นย่อมมีความครบขององค์ทั้งหมดในเรื่องของอายตนะหกแล้วก็ขันทั้งห้าทั้งหมดนี้แหละครับในความเป็นไปตรงนี้แหละศาสนาพุทธพุทธศาสนาพราะองค์ท่านจึงได้อธิบายศาสตร์นี้และความเป็นไปของพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นจึงแตกต่างกับศาสตร์อื่นๆในความเป็นตัวตนและการได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของเราวันนี้เพราะฉะนั้น สภาวะต่างๆที่พะกูได้อา ธ, าธิบายมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมหาปุตตลูปนะครับรรแล้วก็อุปยยาูกนะครับมหาอุปทัยยาูปทั้งหลายเนี่ยวันนี้ได้อา ธ, าธิบายจนจนเรียกว่ามาครบจนถึงขั้นยี่สิบสี่ยี่สิหกไปแล้วนะครับยี่แปดด้วยบวกอีกสี่สองบวกมหาปุตตรูกสีปุูกสี่ปาตายรูกเป็ยี่สบสี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้ถ้าเกิดทําความเข้าใจเนี่ยจะเห็นว่าทฤษฎีหรือข้อ คำสอนของผู้พเจ้านั้นย่อมไม่ขัดแย้งกันเองในขณะที่พ่อครูท่านเนี่ยได้นำมาอธิบายตามสภาวะและได้ใช้ภาษาคนในการอธิบายเป็นภาษาธรรมในสภาวะปัจจุบันนะครับตรงนี้คน<ม>ไทยใช้ภาษาไทยนะครับทำความเข้าใจในสภ า, าแบบไท ย, ไทย นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะมีการเข้าใจและพัฒนา ม, มากยิ่งขึ้นเหมือนเช่นผมที่มาจัดรายการในวันนี้นะครับวันนี้ผมต้องกลับขอบพระคุณ พ, อพ่อครูมากครับเพราะว่าอย่างน้อย เ, ออ เ, ออเราไม่ได้จัดรายการเป็นแค่สองคนหน้าจอนะครับยังมีหลังฉากก็คือ พี่สูแดนทมอีกนะครับซึ่งพี่สูแดนรมก็บอกว่าเออวันนี้เข้าใจมากขึ้น่ผมเห็นนะครับผมเห็นอยู่ในใน a d ที่ส่งสัญญาณมาตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามดูนะครับ เ, เรียนธรรมอิสตรตามสำนึกนั้นคงจะได้พูงไงว่าพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปเก็บความรู้ในประเด็นอื่นๆในสิ่งที่ พ, อพ่อครูจะต้องอธิบายทำในวันต่อๆไปในเรื่องออสงครามสังคม นะครับแล้วก็ยังมีเรียนอิสระนี่แหละเรียนอิสระนี่ก็จะจะมาขยายนะครับก็คือประเด็นต่างๆจะมาถูกขยายโดยผมก็พยายามที่จะเอาจับประเด็นไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับขอบพระคุณ s s สที่ที่ทางบ้านที่ส่งมานะครับไม่ว่าจะส่งมาในลักษณะอย่างไรก็ตามผมคิดว่านั่นแหละเป็นบททดสอบของตัวผมเองด้วยเมื่อผมได้อ่าน SMS เอ็มเอครับพระครูครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมต้องกลับลาพ่อครูอีกครั้งหนึ่งนะครับเจริญธรรมสานึกดีนะครับกลับลาทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ